เราังเทศไปด้วย <c oughs> ทําความสงบไปด้วยนะฟังเทศไปด้วยทําความสงบไปด้วยเราไม่ต้องไปวิวตกกังวลมนติภาวะอะไรต่ออะไรที่เราม่พึงากันนี <c> ้ <oughs> ไม่ต้องไปวิตกกังวล น, นะนั่งภาวนานั่งภาวนาเลยอันในสุขอันี้สงฆ์นนงที่เราจะพึงได้ มันได้มากกว่าที่เรานั่งฟังธรรมดาเฉยๆเรานั่งเอานะเราจะมีเวลาขึ้นชั่วมงสีสิบนาทีห้าสิบกสิบนาทีจะได้ผลกว่าที่เราฟังเฉยๆโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจสมบรณ์ทั้นะครับ <c oughs> เรื่องมนุษย์พลิศภาวะข้างนอกข้างใ น, งนมันมีเหมือนกันข้างนอกมันก็มีประจัมโลกของมัน ข้างในมันก็มีประจัมโรคของมันข้างนอกเราก็มีวิธีจัด ก, การมีวิธีกําจัดข้างในเราก็มีวิธีจัด ก, การมีวิธีกําจัดผู้ที่เป็นต้นต่ อ, ตอพาเรากําจัดคือพระพุทธเจ้ามลพิษภาวะข้างในร้ายกาศร้รายแรงนะมันไม่ใช่แค่กลิ่นไอของเท่อไอเสียรถนะมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันร้ายกาศมากกว่านั้นเนี่ย สิ่ที่มากไปมากกว่านะั้นคือกองทุกผิดกองทุกให้เราผิดกองทุกให้เราแท้ที่จริงกองทุกทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในหัวใจของเราไม่มีใครผิดให้เราเราผิดเราเองกองทุกในใจของเราเวลาเราแก้เราไม่จะต้องแก้ของเราเ อันนี้พวกเราไม่ได้รับความสุขสะดวกสบายคิดกันวันหวังใจหุ่นวายเพราะเราขาดวเญียวในการกำหนดจดจอ่อว่าจะคัดสรรจงเลือกจะถือเอาอะไรมากำกับที่หัวใจของเราเพราะว่าความเป็นอยู่ไาคินกกรรมของจิตของเรามันก็เป็นไปตามภาวะของธรรมชาติ ธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจธรรมชาติของกายร่างกายมันก็พัฒนาไปตามรูปแบบของมันร่างกายได้มาจากธาตุดินน้ำลมไฟมันก็พัฒนาไปด้วยดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟที่เรามาพัฒนาก็คืออาหารที่เราใส่เข้าไปไปเพิ่มดินน้ำลมไฟข้างในมันจะเริ่มซึมลง อยู่ได้ไม่อยู่อยู่ไม่ได้ก็แต่จะล า, ายความร่างกายของเจิตใจของเราเราก็พัฒนาตามรูปแบบที่พระเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้การที่เราจะรู้ก็จะจะมาพัฒนากับไม่รู้แล้วก็ที่จะไม่เอามาพัฒนานี่เป็นเรื่องใหญ่พวกเราไม่เปรียบเสียเปรียบกันกับเรื่องหลับนี้แหละผลที่ปรากฏในหัวนใจของเราที่โตกค้างเหลืออยู่ คืออะไรความสุขกับความทุกข์หรือไม่อีกอย่างนึงเขาเรียกว่าบุญกับบาปหรือไม่อีกอย่างหนึ่งเ้าเรียกว่ากรรมดีกับกรรมชั่วเราดูไปที่สาเหตุของมันที่ต้นตอของมันเครื่องไมเ้เครื่องมือที่จะเอามาพัฒนาทำที่ไะพัฒนาไปตามรูปแบบที่พระเจ้าท่านสอนได้เป็นเหตุให้พวกเราได้มาตั้งกลุ่ตั้งกองอะไรอ่างนีนชมม่อม เรเป็นที่รวมก่วมว่าเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมเพราะเรื่องของคนเรานั้นการตั้งใจฝึกฝนอบรมเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเป็นเรื่องที่เลิกที่สุดเพราะคนเราไม่ได้อยู่ดีๆแล้วก็ดีขึ้นมาได้จะต้องดีได้ด้วยการฝึกฝนด้วการอบรมการฝึกฝนการอบรมนั้นถ้าหากเราไม่ฝึกฝนเราไม่อบรมเจริญได้ไหมจเจริญดู แต่เจอในสิ่งที่ไม่เป็นท่าถ้าเป็นพืชไร่พืชสวนเรามันก็มีแต่วัชพืชหัว น, นใจของเราเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมในแนวในแถวในวิชาการที่จะเพิ่มคูนบุญเข้าสู่หัวใจเพิ่มคูนความสุขเข้าสู่หัวใจเพิ่มคูนความดีความละความชั่วในหัวใจของเรามันก็จะมีแต่สิ่งที่เป็น ที่เรียกว่าวัดเจ้าพืชวัดเจ้พืชหรือเรียกอย่างหน่งคือมวลภาวะหรือเรียกอย่างหนึ่งคือฝุ่นละอองในใจของเราสิ่งเหลนะ่านี้น่ะนำทุกน้ำท่ำทวามาให้เราไม่ใช่ให้เอามาให้แค่เราได้ประสบแค่เรีย่ยแค่รูปกายภาพข้างนอกข้างในมันส่งผลให้เราได้รับข้ามพบข้ามชาไม่รู้จบจบไม่รู้สิ้นถ้าหาไม่มีวิธีการจัด ก, การที่เด็ดขาด นั่นอยางที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาสอนรเราเดินทางเดินตามทางอย่างหนึ่งเราลุกมเจอศาสนามีหลายๆศาสนาแต่วิธีการปฏิบัติวิธีการจัด ก, การเกี่ยวกับความทุกข์มันแตกต่างกันออกไปมันจะมีสักกี่ศาสนาที่เสอนให้เราเชื่อว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดมันจะมีสักกี่ศาสนาเราเราไปเราไ ป, าไปสำรวจตกวจตราดูมีพระพุทธเจ้าอะท่านสอนพวกเรา เราไม่ใช่สิ้นสุดแค่กับภาพนี้ดับแล้วทั้งหมดแค่นะั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระองค์ตอนพระองค์ได้มนุษยธรรมเลยเนะ <c oughs> ในคืนที่พระองค์ได้มนุษยธรรมตอนหัวค่าได้มนุษย์โมเพยในภาษานุสติยาเห็นไหมมันเป็นพยานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นพญาที่เกิดขึ้นในประทเทศไทยของพระองค์ย้อนไปหาเป็นหลักธรรมชาติถูโดยหลักธรรมชาติ ที่เขเรียกว่าปัญญาใหญปัญญาให ญ, ญ่ทำนึก เ, เห็นภพชาติเขาเราะห์โอเป็นกับกับเป็นสังวัตกัรเป็นวิวัตกรรเป็นสังวัตวิวัตกรรมเขาบอกกับกับก็บกบคือระยะเวลาที่โน่นยนาที่สุดระยะเวลาที่เน้อยาา น, นานคือระยะกาเวลาของโลกไม่ใช่ระยะกาเวลาของชีวิตมันไม่ใชสิ้นสุดแค่อัตภาพนีอัตภ า, าพนี้เอาไปเผาไหมดไปแล้วร่างกายนี้ เอาไปฝังมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำไปหมดแล้วจะ อ, อะไรมันหลงเหลือไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่อันไหนที่เป็นดินแข็งๆหน่อยเช่นยางกระดุมมันก็เหลือถึงจะเหลือไปเท่าไหร่มันก็จะต้องเสื่อมโซไปตามระยะการเวลาระยะการเวลาก็คืออะไรของที่แข็งที่สุดมันก็จะเสือเ่อมช้าที่สุดของที่อ่อนลงมาเหมือนอย่างอัตราร่างกายขนาดนี้ มันมีการสับเปลี่ยนมันมีการซ่อมแซมมันมีการปรับปรุงมันมีการปรับปรุงอะไรของมันทั้งกายของเราแค่เราใส่อาหารเข้าไปดินน้ำลมไฟมันก็เข้าไปในนั้นไปทำให้ส่วนนั้นเพรสิงที่แตกต่างออกมาก็คือทำให้เรามีกำลังวางใจมีเรื่องมีแรงมีเนื้อมีเนื้อมีหนักมีอะไรขึ้นมา ดาพงกายของเราเราก็ปรับปรุงใหม่อย่นี้ทำให้ชีวิตของเรามีความเจริญงอกเงยมาอย่างนี้เราต้องมองเห็นโทษแค่ว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราไม่มองเห็นในค ว, ความเกิดแท้ที่จริงความแก่ความเจ็บความตายที่สําคัญที่สุดคือความเก็บนี่แหละที่พวกเรากลัวที่สุดเพราะสิ่งที่จะตามมาก็คืออะ่รทุกทรมาร ความแก่ความเจ็บต้องยแก่ความเจ็บความปวดความทุกข์ทรมาร์สิ่งเหลนี้ก็เรากลัวที่สุดแม้แต่มนุษยเราคิดที่เราได้ประสบอยู่เดียวนี้สิ่งที่เราที่เร า, เราหน่ากลัวตามมาก็คือสิ่งเหล่า น, นี้เนี่บางครั้งข้อเท็จจริงมันมีอยู่นิดหน่อยแต่ด้วยเหตุที่เรามีสัญญามีอุปาฐานมากมายยื้ยื้ยื้อเยื้ยืย้อเยคัญมันหมายยึดเอายึดเอาถึงเอา อย่าลืมว่าความสําคัญที่ว่ายึดเอาถือเอานี่ยมันมีความสําคัญมากนะเคยเคยพูดเปรียบเทียบให้ฟังเคยพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่าพลังของอุปกาทางการยึดเอาถือเอาของคนมันนี้ที่เอมีแรมันมีหลังเขาจาบนักโทษได้เขาไปมัดตามาไม่ให้มองเห็นเขาสร้างความสําลึกให้เราสําลึกผิดเข้าใจผิดโดยที่เขาบอกว่า ร่างกายของเราไม่ยาหายด้เลือกออกหมดเนียร่างกายก็จะต้องตายไปโดยอัตโนมันติเขาจับน้ำโทษ ม, มัดเสร็จแล้วเขาก็เอาในระหว่างที่เขมัดเนี่ยเขามองไม่เห็นนะเขาก็เอาถุงน้ําะเอาถุงน้ํำมาเจาะมาเจาะให้มันเป็นรูนิดหน่อยพอมันเป็นหยดตั้มตั้มข้างล่างข้างล่างก็มีอะไรรองรับอยู่เขาก็ทําพิธีนั่นแหละแล้วเขาก็ทำท่าเมื่อมาปากคนเนี่ย มันเอาอะไรมาดึงมาปาเนี่ยไอคนนี้ตามมองไมเห็นมันก็สําคัญมั่นหมายว่ามันถูกปาดนักโทษนะเขาต้องลองปาดทางของคนในขณะที่ก็ปาดเสร็จเอาน้ำที่เขาห้อยไว้เขาก็ปล่อยลงต้มต้มต้มเขาบวเลือดมือจดเขาก็ตุ๊ดใส่ใส่หูเลือดจุดเขาเลือดหมดคนละตายพอดีมันสําคัญมั่นหมายอย่างจริงๆนะนักโทษที่มันมองไม่เห็น ตายได้จริงๆมันยึดเอามันอุปาทานเอายึดเอาตายได้จริงจริงนห็นรบกุเขียนนั่นเคยเล่าให้ฟังนะเพื่อนอย่างนี้นะรบกุเขียนท่านเคยเล่าให้ฟังเราจําได้มาจนเดียดนี่เรารู้เติความสําคัญมั่นหมายความอุปาทานอุปาทานในที่นี้ก็คือมันโย่เชื่อมโยงมาถึงอุปการร่างกายรบกุมจะทุกข์เกินไปควรจะเจ็บเกินไปควรจะทรมานอย่างนั้นโวรจะทรมานอย่างนี้ไหนสุรบทู เกินข้อเท็จจริงเกินความเป็นจริงเรื่องสำคัญมั่นหมายมันเป็นเรื่องสำคัญนะใจของเราสอนยังไงเป็นอย่างนั้นนะสอนยังไงเป็นอย่างนั้นหมายยังไงเป็นอย่างนั้นนะหมายยังไงเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างกบายนใจาที่เราพูดวบาจาใที่เราพูดได้ฟังนั่งกำหนดว่าจะของป็นกวา่านี่นั่งกำหนดว่าจะของป็นกว่านี่ กวางมันต้องมีเขายาวๆใช่ไหมมันเก็บกะเขายาวๆมันเก็บกะน้ำสาคัญไม่ใช่เขาเป็นกว่าสําคัญมั่นหมายยึบเอาถึงเอาเลยพอดีมันให้เวลาหมู่มาเรียบออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้ความสําคัญมันยังมั่นหมายมันยังค้างอยู่ในหัวใจออกไปไม่ได้ติดติดเขาเขามันติดประตูคุณออกจากประตูไมนไปเขาอข้างประตู นี่คือความยืดกิจของจาจเร า, า, ามันเห็นความสําพันธ์มั่นหมายของจิตหมสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เบาไม่ได้บอกบอให้เรารู้ถึงเหตุข้อแท้จริ ง, ถ, งถึงสัจจะสัจธรรมทั่วทั่ไปทีปท่พุทธิยถสอนไม่บอกเพราะฉะนั้นหลักคำสอนทั่วๆไปบรรดาลัทธิทั้งหลายที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาทุกบปลัทธิทุกทุกประทุกๆบรรด มแมต่ในสมัยพุทธกาลท่านก็พูดเอาไว้62ทิบสทิทีิบสิศทเขาว่าทิศที่ก็คือความรู้ความเห็นของปราดมณทั้งหลายทั้งปวงคนนั้นถนัดยังนั้นคนนั้นถนัดงังนเพนคนนั้นถนัดยงาง น, น, นั้นเขเรียกว่าเพราะน้ปราด ม, มคือทิศที่ิบสในสมัยพุทธกาลแม้แต่ครูทั้ง6เนี่ยครูทั้งหน อ, อะไรนะมังคีโศสานิครนนาตบุตรมกุฎกัจจายนะัตอะไร รวมถึงสัญชัยเวลาตะบุหนี้ครองหน้าตบหนี้อะไรอะไรที่ยุคนั้นสมัยนั้ น, นอันนั้ถือว่าเป็นครูตั้งปกนี่คือเจ้าทิฏฐิเจ้าลทัทธิเจ้าทิฏฐิแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนก็คือความลึกความคิดแต่ละคนมันหมายเอาหมายเอาหมายไม่เหมือนกันเข้าใจไม่เหมือนกันหมายไม่เหมือนกันเอาไม่เหมือนกันรวมมาตทิทิฏฐิตั้งปกสที่พระพุทธเจ้าทุกทรงตั้งเอาไว้ในตระไรเป็นดอกนี้นะั่นเปอย่างยว การบอกว่าบรรดาที่ทิ้ทั้งหลายทั้งปว ง, งเหล่า น, นั้นล้วนอยู่ในโครงขังของโรงข่ายตาข่ายของอวิชชาทั้งนั้นคําว่าอาวิชชาก็คือมันถูกครอบคลุมอยู่ในนั้นเหมือนถูกตัดถูกขังถูกคลุมไม่ได้เปิดเผยให้รู้เห็นขอ้อแท็จริงมีพระพุทธองค์องค์เดียวทั้งนั้นในยุคในยุคที่โระองบัติมามีพระองค์องค์เดียวที่เปิดจากกครงข่ายนั้นออกมาได้ เพหตุด้วยเหตุที่เข้ามารู้เห็นข้อสัจจะสัจธรรมสัจธรรมทุกสมุทัยที่โลกมานอกนั้นไม่รู้ทุกกับสมุทัยมันมีประจําโลกมาทุกกาลทุกยุคทุกสมัยทุกกับสมุทัยพวกเราเกิดมาชาติไหนเมื่อชาติไหนเมื่อไรชีอไหเมื่อไมีความทุกข์เกิดชีวิตอุบัติขึ้นมาคือก่อนทุกข์เกิดแต่มันเกิดมาจากสมุทัยไม่รู้ใจเจ้าท่านสรงอะแรย่านี้ โอ้ความเกิดอัตภาพร่างกายในจิตใจของเราเลยมันมาจากเหตุคือสมุทยัยสมุทยัยเหตุให้เกิดกองทุกขเหล่านั้นเหตุให้เกิดอัตภาพร่างกายเหตุให้เกิดภพหเหตุให้เกิดชาติเพราะอะไรมันไปจากปุปาทานปุปาทานมาจากไหนมาจากปัญหาปัญหามันมาจากไหนมันก็มาจากผัสสะคือความสัมผัสสัมพันธ์ระหว่าง ม, มีรูปกับนามไปเข้ากันไม่เกี่ยวป้องกันไม่ปูพันกันทามันเกิดผัสสะ ทำให้เกิดตัณหาทำให้เกิดอุปาทาพอเราพูดไปแล้วเราฟังดูแล้วเหมือนมันเหลือเหลือวิสัยเหลือนิสัยเหลือกำลังความฉาิที่เราจะเข้ารู้เข้าไปเราอยากคิดอย่างนั้นมีศัจะทําให้เราหันมาดูเดียวนี้ได้อุปาทานอุปาทานมาจากตัณหาตัณหาหรยอว่าความอยากใจอยากเราย้อนลับที่ใจของเราอยาก เราที่มันหยาดพลังของความอยากมันดีมันดิ้นมันขับมันเคลื่อนอยู่ในตัวของมันเราย้อนมาดูใจของเราเราย้อนมาดูเราเห็นความหยาดเพรามันมันดีมันดิ้นมันขับมันเคลื่อนดังนั้นไม่เป็นพาสุกเรามาดูนี่แหละคือพลังของตัณหาพลังของตัณหาเหล่านี้คือพลังของใจของเราเยที่เราเรียกใจใจใจก็คือผู้หูของเราคือภาหูของเรา ความรู้ของเรามันไม่บริสุทธิ์เพราะมันมันมีพลังเหล่านี้มัมาปนเปื้อนพลังของตามอยากที่เป็นไปตามเรื่องของสมุทรไทยนี่มันปนเปื้อนเข้ามาก็เลยทําให้เรานึกเราคิดเราตุนตามอํานาจ้องมันตามพลังของมันถ้าไม่มีพระพุทธเจาา้ามาบัดพวกเราเกิดอยู่อย่างนี้เพราะทุกข์กับสมุทรไทยมันมีมาประจําโรคประจำโรคท่างๆเลยแหละถ้าไม่มีพระพุทธเจาา้ามาบัดมีโลคมัดไม่ปรากฏ เมื่อมีพระพุทธเจ้ามาบัติมิโรดกับมัจจึงมาปรากฏเห็นไหมอะไรที่จะมาแก้ความทุกข์ตั้งหลายทั้งวงเหลนี้ได้อะไรที่จะมาแก้เหตุให้เกิดความทุกข์ตั้งวงทั้งหลายตั้งวงดหล่นี้ได้มมาเมื่ออมัดมาแก้ได้ความทุกข์ตั้งหลายทั้งวงเหล่านี้ดับไปเป็นมิโรมิโรคแล้วว่าความใดเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบัติิโรกับมัดจะไม่ออกมาจะไม่มี พวกเราสักหลายนก็แบกกองทุกอยู world, like ù, like ểu, ่อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาไปในวัฏฏะสงสารของเราจึงไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเกิดแก่เกิดตายเกิดแก่เก็บตายความไม่ความไม่คงทนความไม่เชี่ยงแท้แน่นอนก็จิตของเราคือมันไม่อยู่เท่าเดิมมันไม่ไปเกิดที่เดิมมันเกิดที่สูงที่ต่ำถึงนั้ว่าจะมาเกิดในชาติเป็นมนุษย์ด้วยกันบางชาติเราเกิดมาสะดวกสบายมีร่างกาย อยู่สะดกสมายบางชาติเราเกิดมาทุกทยาวลำบากบางชาติเรเกิดมามีสติมีปัญญาเปรือยปราสร้างบุญบารมีเพิ่มเติ ม, ตมขึ้นได้อย่างรวดเร็วมันไม่มีอะไรอยูเท่าเดิมบางทีก็ไม่มีสภาพพอที่จะมาเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นสัตว์ดิบชาญชั้นนั้นชั้นนั้นไปเป็นสัตว์ในนรก็กชั้นนั้นชั้นนั้นบาที่ก็ดียิ่งไปกว่ามนุษย์อีกไปเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นละเอียดขึ้นไปอีกแต่ด้วยเหตุที่เรามีจิตมีผู้รู้หนุนเดียว จิตก็อาจจะพัฒนาไปไม่ไ ม, ไม่ไม่มีจุดบไม่มีที่จบพัฒนาไปในคติที่เลวทรามต่ําช้าเช่นอยากโวกสัตว์ในป่าพัฒนาไปในในโลกของความเป็นรูปแต่ว่าการพัฒนามาเกิดในภบชาติที่เป็นรูปได้เปรียบถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาตามบุญตากรรมคําว่าบุญกรรมหมายความว่าส่วนที่เป็นอดีตโศลมาเราจะมาได้ตามบุญตามกรรมของเราแต่ในเมื่อเราได้อัตภาพมาแล้ว เราได้ภาวะความเป็นมนุษย์เราได้สภาพความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์เร า, า, าเ น, นีดีเยี่ยมโดยที่ว่ามนุษย์เรามีมันสมองมีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมันไมเหมือ น, นสัตว์สัตว์ที่เขาไปเกิดในในภพชาติที่ความเป็นสัตว์มันเกิดไปสวยทับผลกรรมของความเป็นสัตว์การพัฒนาไปในหัวใจของสัตว์พัฒนาไปได้อย่างชา้าเชื่องช้ามากเราเห็นว่าสัตว์บางจําพวกไม่กลัว ไม่กลัวก็อะไรเพาะสัตว์ทั้ว่าเป็นสัญชาติญาณบางบางสัตว์บางทุกขมีสัตว์ทั้ว่าเป็นสัญชาติญาณก็จริงแต่ก็ยังพอมีความรู้สึกกลัวบางสัตว์ไม่ไม่รู้สึกกลัวเลยเราเดินไปพบไปเจอไปอะไรเขาไม่ใช้ของเขาสัตว์บางทุกข์มีความกลัวมีแสดงว่าเขามีสัญชาตญาณละเอียดขึ้นมารวมมาถึงละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรืยมันจะมีความรู้สึกนึกคิดไม่เท่ากันมีความสามารถไม่เากมีพลังไม่เท่ากัน แต่มนุษย์มีพลังเยี่ยวถึงนั้นก็ตามมนุษย์เราก็แยกออกหลายประเภทประเทศศักดิ์ก็ว่าเป็นมนุษย์เราดูเถอะบางคนเกิดมาตามบุญตามกรรมเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบนี้เราอยู่อะบาคนไม่สมประกอบมาตั้งแต่เด็กๆพาล็อกในท้องเลยอาบุญกรรมมันจจกสรรมาเข้ามาเราจะไปโทษนู้นโทษนี้โทษอะไรก็ไมาได้โอ้ยเราไปบำบัดในคราวที่แม่เรา ไม่ชอบด์ข่านนู้นข่านนี้ขานนี้ขานั้นเราเองไม่ชมบดูอย่างนั้นก็อะไรก็บุญกรรมก็เราให้เราได้ไปหั่นอย่างนั้นให้เราได้ไปหั่นอย่างนั้นเป็นเพียนให้ให้ต้องตกฟ้าเป็นเพียนด้ต้องตกออเป็นเพียนด้ต้องแทงต้องอะไรต่ออะไรก็คือบุญกรรมของเราเราจะว่าอะไรมันก็คือบุญกรรมของเราการจะไปหวั่นเราดูที่บางคนี่ แค่เด็กที่อย่างทุกวันนี้เราได้ยินอะไรเด็กอพอที่สติอะไรออะไรเด็กออะไรอี่สติเดกอะไรต้อ ม, มีหลายระดับระดับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยก็มีเรามาดูซิเด็กที่ตั้งแต่ตัวเลมากโปลิโลโีที่คือสัตว์ที่าเป็นมนุษย์เฉยบางคนมีความฟั่นเฟือนระดับสติระดับปัญญาระดับจิตใจประมาณนี้นเด็จิตใจมันไม่ไปหน้ามาหลังที่เรียกว่าบ้าใบาาาวิกลวิการวิกลจริต สี่เหลานี้เราจะไปโทษอะไรถ้าเราไม่โทษกรรมของเรานี่เป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ใช่เราจะพัฒนาไปได้เหมือนกันแล้มนุษย์ที่วิชาการบางสิ่งบางอย่างบางคนเรียนรู้ได้เข้าใจบางคนเรียนรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้บางคนทําไม่ได้บางบางบางระดับสูงขึ้นไปสามารถเรียนรู้พื้นพัฒนาไปได้บางประเภทอีกประเภทอัดเฉยบุงคนเรามาดูซิประเภทอัจฉเฉยบางคลอัดเฉยมาดู ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากฝนไมื่เกิดขึ้นมาจากคนที่เราตั้งใจฝึกฝนอบรมเพื่อปรับปรุงจริตใจนิสัยของเราให้ละเอียดขึ้นให้กระนี้ขึ้นถ้าเราปรับปรุงได้ดีถึงีดถึงขั้นขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่ตายตัวมันยังยังไม่แน่แก่ใจเพราะมันคนระดับอัจฉริยะบุคคล น, นี่แหละแต่เราก็ยังเป็นผุ้ดชน เขายังเป็นปุ้ถูกจดมีความรูม้มีความสามารถาเรียนจบถ้าเป็นระดับการเรียนรู้ทุกวันกนระดับด็อกเตอร์กี่ด็อกเตอร์กี่ด็อกเตอร์กี่ด็อกเตอร์ก็ตามแต่ว่าพฤติกรรมของเรามันคอยสแสดงผลจำออกมาทุกระยะทุกเวลากายกรรมวิจิกรรมนวนกรรมบางครั้งเราก็มาแพ้พฤติกรรมของเราแพ้อํานาจของอะไรแพ้อํานาจของมนุิย์ภาวะหรือหัวใจของเร า, ร า, เราคือคีเลศ กิเลเพื่ออะไรชี้ไปที่ตัณหาที่เราโมที่เราพยายามพูดถึงตัณหาคือความอยากในใจของเรามันมียริงจริงหรือเราย้อนมาดูดีย้อนดูในใจของเราเราเห็นความอยากพลังของความอยากพลังของความขับเคลื่อนของมันถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีข้อปฏิบัติที่เอาไปกํากับไปดูแลจิตของเรามันก็ลุ่งไปตามหลักของธรรมชาติมันพัฒนาไปได้ดีอยู่แต่ถ้าหากเราไม่มีวิธีการจะพัฒนาให้ถูกถูกทาง มันก็จะพัฒนาไปในทางที่ผิดพัฒนาไปในทางที่ผิดที่จะทําให้เรารู้เห็นหลักของสัจธรรมรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้มันจะทําให้เรายึดผิดเข้าใจผิดสำคัญผิดผิดมั่นหมายผิดไปเรื่อยๆเป็นมิจฉาเป็นมิจฉาทิฏฐิพัฒนาไปในในรูปแบบของมิจฉาทิฏฐิไปเรื่อยเราจะเห็นว่าลัทธิทั้งหลายทั้งปวงในโลกมีอยู่หลายลัทธิบางคนชี้ไปว่านี้จากนี้เราไปเป็นนั้นจากนั้น้ไปเป็ี่ยนนั้นทําอย่างนี้เป็นเห็นได้รับความสุขความเรลอย่างนี้ บางศาสนาไม่ได้สอนเรื่องของหลงของกายกรรมวริจีกรรมโนุกรรม้วยซ้ำไปแล้วเราจะไปเอาข้อยุติในการกระทําตรงไหนหาต้นตอไม่เจอว่าคำที่เราแบกแบกเราหามเราแรกแกความสุขความทุกข์อะไรก็แล้วเกิดขึ้นจากอะไรไม่รู้จักนี่เราพูดเพื่อสะท้อนมาที่พวกเราพุทธเจ้าท่านสอนสอนพวกเราทั้งหมดเลยโดยที่ท่านสอนมาถึงต้นตอสาเหตุให้เกิดกรรมกายกรรมวริจิกรรมโนกรรม อันนี้เราสูตรมาที่ศีลห้าท่านมามีมาเพื่อสนับกายกรรมไว้ทีกรรมศีลห้าของเราเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีศีลห้าเต็มตัวสมบูรณ์อยู่มีความสุขในความเต็มอยู่ของเราทางกายชีวิตของเราก็ปลอดภัยทรัพย์สม บ, บัติของเราก็ปลอดภัยสามีภรรยาผู้ฟรอมของเราก็ปลอดภัยวาจาคันพูดของเราอยู่ในกรอบของสีลขเราเราก็ปลอดภัย สัมดวงในน้ำมันเราเขาปลอดภัยปลอดภัยทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่สัมดวงค่าสารเราเค่าอย่าลืมว่าพลังที่เราค่าเขาเนี่ยนะนะมันจะต้องมีแรงสะท้อนกลับทําให้ผลได้ยังไงทําให้ผลได้ยังไงทามันให้ผลมันเหมือนกับมีสิ่งที่เป็นพลังงานอย่างหนึ่งไปกระทบจีนอย่างหนึ่งมันที่ทำให้เกิดแรงสะท้อนออกมาก็ไม่อยากเราโยนวัตถุกระทบกําแพงกระทบหนังเนี่ยมันจะได้กลับมา เราเอา ล, ลูกนักกติก๊กหนะ่อยิงปิ้วเราไปกระทบแล้วมันมันเฉียดปิ้วเราเอากระแผงโยนไอเราเอาลูกฟุตบอลโย น, นกระทบกระแพงก็เต้นกลับมาขึ้นชื่อว่าเหตุแล้วจะต้องนําผลมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดเหตุก็คือกายกรรมเอากำเอากายว่เาเด็กไปสร้างกรรมไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปดลบดีผิดในกรรม เอาวาจาของเราไปสร้างกรรมว่าจีกรรมที่เราไม่จริงกรรมไพูดไปพูดเท็จพูดเท็จคือพูดโกหกพูดไม่ตรงพูดไม่จริงแต่พูดคำหยาบพูดส้อเสียพูดเฟอร์เจอร์แล้วไหลพูดคําชั่วช้ารามพูดเป็นเหตุให้คนหลงไหลเข้าใจผิดสักการ์มั่นหมายผิดนี่คือเอาว้จาของเราไปสร้างกรรมเรากระลยกระดิกแพลงมาทางกายอามันมีสิ่งตกผึกคือกรรม กรรมไม่ไปไหนตกถึงมันเป็นวิบากกรรมกิริยาวาจาไก็เช่นเดียวกันไม่ใชเราพูดไปแล้วทิ้งหายไปเฉยเฉยตกึลเป็นวัดจีกรรมนึกคิดเฉยเฉยนึกคิดอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้ไม่มีใค ร, รนึกคิดในที่แจ้งในที่ลับคนรู้ก็ทำไมรู้ประกา ร, ร ต, ตกึลเป็นมนโนกรรมกรรมเท่าไหร่ทั้งวงแบบนี้กรรมบางอย่างตามให้ผลย้อนฉลองกรรมบางอย่างเจือจางแล้วก็หายไปกรรมบางอย่างต้องให้ผลกรรมบางอย่างกรรมบางอย่าง กรรมทุกอย่างเจตนาธรรมก็มีกรรมไม่เจตนาธรรมก็มีกรรมทำไมไม่เจตนาทำก็มีกรร mm hmm. แต่กรรมที่ให้ผลเด็ดขาดจริงๆก็คือกรรมที่มีเจตนาพระเจ้าท่านสึรทรงกล่าวว่าเจตนาอังพิคเวกับมังวนาบิที่สุททั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมแต่มันเป็นกรรมที่ไหน แต่ก็มีกรรมอีกชค่นิดหนึ่งนะกรรมไม่ได้เจียรติมาแต่มันก็เป็นกรรมมันให้ผลเหมือนกันมันให้ผลถึงตายเหมือนกันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละพระท่านไปเย็บกีบอร์นะพระท่านเย็บกีบอร์น่ยปลายเข็มของท่านไปแทงถูกตัวเลนตัวเลนกับตัวสัตว์เล็กๆที่มันอยู่ในกีบอร์น่นท่านไม่รู้ได้ซ้าไปว่าไอ้เลนไปแล้วมันตายเพราะปลายเข็มของท่านไอ้เจ้าเลนตัวนั้นตายไปแล้วมัเกิดเป็นคนพระท่านยังอยู่ในอัตภาพเดิม เล่นตัวนั้นตายไปแล้วพระท่านเลยรู้ว่าเล่นตายด้วยซ้ำไปท่านไป ม, มีเจต น, นาแน่หมายว่ากิริยาทางกายของเราันไปตัวร์เขาตายตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนในระแวกนั้นในระแวกที่พระท่านอยู่เลยเป็นผู้ชายแล้วก็มีนิสัยเป็นนายพลโต ว, วันโตคืนอายุสิบห้าปีมันก็ออกป่าแต่พระยังอยู่ในนั้นแถวนั้นนะยังอยู่ในอันตภาพเดิมมันตายก็เกิดป้บบาเหมือนั้นเถิดตายเร็วเกิดเร็วนะฮะ มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมาเกิดเป็นมนุษย์ปั๊มันก็พัฒนามาแบบรูปแบบของมนุษย์เห็นไหมตอนเช้ามาเขาเข้าป่าตอนค่ำมาเขากลับบ้านพระมันก็แปลงมันพระท่านอยู่ป่าตอนเช้ามาท่านเข้าบ้านตอนค่ำมาท่านเข้าป่ า, า, าท่านสวนทางไปสวนทางกันไปสวนทางกันมามีอยู่วันหนึง่งไอ้ในพราะคนนี้เนิเขาเข้าป่าแล้วเขาไม่ได้สัตว์มาสักตัวเลยนะอายุของเขาวุธของเขาก็คือหอกมีหอกเดียวแบกบกลับไปแบกบกลับมาเนี่ย เพราะวันนั้นพระท่านออกไปจากจากบ้านในทางก็เดินสวนทางาแบบออกมากรรมบรรดานในพระท่านเห็นพอท่า น, น, นเห็นปั๊บก็โ อ, โอรู้สึกกลัวกลัวหอกกบกรรมกรรมบรรดาเนาะกรรมบรรดาเพราะว่าไ อ, อ, อ, อในทางคนนั้นเมื่อก่อนอ เ, เคยเกิดเป็นเลนที่มันตายเพราะปลายเข็ของท่านที่ท่านเย็บยีวอนแลไปถูกตายเห็นไหมนี่คือกรรมเห็นไหมกรรมมันยังสะสมเอาไว้อยู่อ่ พอเห็นนายพรานแบกของมาปั๊บกลัวแต่นายพรานก็ทิพย์ไออย่างหนึ่งวันนั้นนายพรานไม่ได้สัตว์ตัวเลยมาเห็นหน้าแต่ไกลเวันนี้เราเห็นหน้าเราอยากกราบพระวันสัตวเราก็ไม่ได้สักตัวหนึ่งเราเกิดความรู้สึกอยากกราบพระเดินไปเดินไปเดินไปกะว่าไปถึงตรงนั้นไอทางที่เห็นนะก็น่าจะไปไปเจอกันข้างหน้าว่างั้นเถอะเอาไปไป ไ, ปไปพระท่านเห็นปั๊บ นึกกลัวคนนึกกลั ว, กกลวท่านเอาแวะเข้าไปซ่อนอยู่ทุกเส้นซ้อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ในป่าคนในพรามในพรามไปเจอตรงนั้นไตรงที่ที่เขาเห็นอ่ะพระหายไปไหนไม่เห็นท่านหายไปไหนพระตั้งใจว่าจะกราบนะไม่เห็นท่านหลบไปไหนไม่รู้นะหรือหรือท่านอาจจะ ก, กลัวหอกเราโยนหอกทิ้งเข้าไปในป่าแคร์พระตายนี่นายพรานโยนหอกทิ้งเข้าไปในป่าไม่ได้มีเจตนาว่าจะมาแทนพระตาย เห็นไมเราเห็นกรรมมันจับจับสังจับการกันไหมนี่เราพูดในแง่ที่ว่ากรรมที่เราไม่เจตนาแต่เราสำรวมรามัดระวังไม่ได้แต่กรรมที่เราไม่เจตนาเราสำรวมระมัดระวังได้เฉพาะกรรมที่เราเจตนาเช่นอย่างเรามรักษาศีลเรารเรื่องศีลศีลฆ่าเนี่ยท่านบอกว่าฆ่าสัตว์ลกทรัพย์ประพุทธพิดในการคําว่าพระพุทธพินัยการเนี่ยพวกเราได้ยินฟังมามาก เรากเข้าใจก็รู้เรื่องคือคือคือสิ่งที่มันผิดหัวผิดเมียกันเลยที่เรียรกว่ากรรมเป็นพื้นผิดในกายโดยโปกติของมนุษย์ของสัตว์เขาจะอยู่เขาจะอยู่กับสิ่งแบบนี้สิ่งเหล่านี้มันหากเป็นหลักธรรมชาติของมันแต่ผู้ทีย่ย่าทเดียบว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรส่งเสริมไม่ควรสนับสนุนแต่นเมื่อสัตว์เขาเกิมดมาแล้วเขาอ ย, อยู่อย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ แค่เขามีความพอใจอยู่ในกรอลของเขาก็ไม่ห้ามมัดห้ามผลห้ามนิพพานเราจะเห็นว่าในตํานานที่เราพูดไว้มีมากมายเช่นเยวกถือศีลห้านี่แหละตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบได้ตั้งใจพิจารณาให้ได้ปัญญาให้ปัญญาอยิยาตรสรุปทำได้ตั้งแต่ขั้นประโสดาสกิตติค้าพระอนาคาไเหมือนอย่างวิสาขเศรษฐีเนี่ยท่านได้เป็นพระอนาคามีตั้งแต่อยู่เป็นคารวา่าไม่ได้บวน เพระอนาคามีนาคามนี้ก็เกือบสุดแล้วแล้วอีกขั้นหนึ่งสุดหมดแล้วพอถึงขั้นนั้นไปแล้วมันมันหมดแล้วมันหมดความเกี่ยวข้องูกันเห็นโทษของกาม ร, ราคะาน่ะมันถูกทอดทิ้งจิตใจถอนห่างจางหายไปหมดจากหัวใจไปแล้วพอถึงขั้นนั้นแล้วท่านยังเป็นค า, ารวะอยู่เพราะฉะนั้นเราอยู่เราอยู่ในเพศนี้ท่านเรายังเกี่ยวข้องกันอยู่ท่านจึงให้เราถูอสี่ข้อนี้เอาไว้ ไม่ให้เราผิดไม่ให้เราผิดแต่ถ้าหาเราผิดแล้วมันเป็นโทษโทษโดยที่เราไม่ต้องไปสอบถามใคร เ, เรารู้อยู่แก่ใจว่าโทษทั้งหลายทั้งปวงนี้มันตามมาเม่ิเตตามมาให้ทุกให้โทษแค่ขณะปัจจุบันแค่นั้นนะมันตามส่งผลไปตลอดตลอดระยะเวลาที่กรรมเหล่านั้นควรจะให้ผลในระอุบัติกรรมยังนั้นไในระบัติกรรมอย่างนี้เช่นอย่างเราทําเขาเขาก็ทําเราบ้าง เราทำลายเขาเขาก็ทำลายลเราเราฆ่าเขาเาขาก็ฆ่าเราเราลักของเขาเขาลักของของเราเราเดือดร้อนกับเบียดเบียนลูกเขาโผลเขามีเขาเขาก็เบียดเบียนเราแล้วก็โผลเขาเดี๋ยวเราประดนตบเหมือนกันแต่ข้อสําคัญคือกิน เ, เ, เหล้าให้เมาทําลายสติของตัวเองการทาลายสติของตัวเองนั่นแหละไม่เป็นคู่เป็นคนฆ่าสัตว์ได้ง่ายรักซรัพย์ก็ง่ายผิดลูกผิด婆ผิดเมียเขาก็ง่ายพูดโกหกก็ง่ายถ้าเมาเราเล่าเข้าปาก อย่มันมีความสําคัญนะอันนี้ถ้าเรามีเจตนาตั้งใจรักษาสี่ห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปีนักกามไม่พูดโกหกไม่ดูโสรามีอะไรเราตั้งใจเด็ดขาดจริงอยาได้แค่นี้ระดับนี้เราสามารถรักษากรรมของเราให้บมดสุดได้ดูไปเห็นความบริสุทธิ์ในหัวใจของเราได้เลยอั น, นคือกรรมคือการกระทํานี่พุทธิเจ้าท่านสอนนะที่ไปที่มามีต้นตอของกรรม กรรมเหล่านี้แหละเป็นพลังของใจเป็นพลังของผู้รู้เพราะฉะนั้นเวลาเราดับชีพวายชนไปปับ๊บผู้รู้ของเราก็ไปตามอนของพลังไปตามพลังของกรรมใจของเรามีอะไรเป็นพลังนําไปกรรมเป็นพลังนําไปแล้วเกิดมาตั้งแต่กับการภูริชาติตอนไหนเมื่อไหร่รู้ไม่ได้ใจของเราจะระรวงจะระดวงรู้ไม่ได้เพราะพวกเราไม่ใช่เพิ่งเกิดมาในอัตภาพสองอัตภาพแค่นี้ ดูเดี๋ยวกุฎิจารย์ธรรมย้อนเห็นภพชาติของพระองค์เป็นกับกับเป็นสังวัตตกับเป็นวิวัตตกับเป็นสังวัตวิวัตตะกับคุณระยะเวลาที่น่นนานมากไอ้คําว่ากับกับกับกับมันไม่ใช่วันสวันที่ไหนโอ้นานมากก็เหมือนอย่างพัตระกับทุกวันเห็นไหมกุฎิจามาวัดทั้งห้าพระองค์พระอาคูสันโทพระโคนาคโมพระกะโสบุพระโคตโมท่านล่วงไปแล้วทั้ง4ี่พรเดี๋ยวนี้เราอยู่ในรัตนมิธรรมของพระโคดองพระโคของเรา ยังไม่หมดยังมีพระเสี้ยนยังเวทไรยังไม่ได้มาตรัสรู้นะยังไม่หมดหนึ่งกับนะยังไม่หมดหนึ่งับโอ้แสนมหากรรมเนี่ยเมื่อไหร่จะได้เป็แสนมหากัรสังวัตรกรรสังวัตรกรรมที่มันสะสมมาเป็นวัตตะสงสารเป็นวัตตะวัตตะวัตตวนของกับกับยันละกับยันละกับวนมาวนสังวัตรกรวิวัตรกรรแล้วก็เป็นอสศงไขอาศงไขยเราก็รู้ที่ระยะเวลาที่เนิ่นานเราเกิดอะไรเราสัะสมมา เรามักเกิดในภพชาติที่เรามีบุญบารมีมาเกิดในภพชาติที่มีพระพุทธเจ้ามาอวยเราถึงจะได้ยินได้บอกคําสอนคือธรรมะของเราถ้าหาเราไปเกิดไปเกิดบางกับนะบางกับที่จะเรียกว่าสูญยักษ์ับสูญยัญกษ์ับมันเป็นกลับที่ไม่มีพระพุทธเจ้าไปอวยและใครจะสอนเราใคระเอาหลักธรรมะมาสอนเราแต่หัวใจของความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหากมันมีคุณธรรมอยู่ในนะั้น มันมีทั้งเลืมันมีทั้งทาผลเพื่อนมาด้วยกันไม่ใช่มีเฉพาะเลือย่างเดียวมันมีความสกปรกอยู่ในนั้นมันมีิเลือยู่ในนั้นหามันมีทํำปนเพื Mat ่อนอยู่ในนั้นมันมีทั้งิเลืมันมีทั้งทําผลเพื่อนมาด้วยกันมันก็สะสมมาอย่าง้นไม่มีใครมาบอกมาสอนหรือโดยเฉพาะอย่างที่สมมติเราไปเป็นสังมันจะเอาเวลาที่ไหนมาฝุกฝนอกรมมันก็มีแต่สะสมเรื่องิเลืเต็มแพร เพราะฉะนความโลภความโรกรธของพวกเรามันจะไม่แข็งกระด้านแข็งแกร่งชัดได้ลากยากล้างได้ยากความรุ่นหลงเนี่ยชัดได้ยากล้างได้ยากเดี๋ยวนี้นกิเลสกองใหญ่ๆคือความโลภกับความโรกรธความโลภมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราดูไปที่ใจของเราใจของเรามันเป็นสาเหตุเป็นต้นต่อสะสมความโลภคือตองโลภมันสะสมได้ยังไงใจมันเป็นธรรมชาติที่มันออกไปรู้ รู้อะไรเห็นอะไรแล้วมันมีลักษณะ2อย่างหนึ่งมันเห็นว่าดีมันก็ยึดเข้ามายึดเข้ามามันเห็นว่าไม่เดียมันก็ผลักออกไปผลักออกไปพอมันไปสัมผัสปั๊บมันได้รับความสุขมันไปสัมผัสปั๊บมันได้รับความทุกได้รับสัมผัสได้รับความทุกมันก็ผลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปไม่ไปมีทั้งของวามโกรธเกิดขึ้นไปเห็นสิ่งที่ดีที่นาชอบใจครับ เกิดการกัเกิดการชอบใจดึงขมายึดเข้ามายึดขมาเกิดอำนาจของความโลกสะสมทีกับกันขีไปได้ชาติมากอะไรกลายเป็นกิเลสของใหญ่แก้ในยากมากลื่นได้ไม่มีใครส่งให้เราไม่มีใครทําให้เราเราสะสมมาของเราเองนะคาว่ากิเลสกิเลสหัวใจของเราทุกพลังของกิเลสก็คือปัญหาเนี่ยปัญหามันกลับขับเคลื่อนกระดูกทีกเปลี่ยนดิ้นดนหาตามของความอยากของมัน มีใครสร้างให้เรามีใครทำให้เราแต่พระพุทธเจ้าท่านทรงมาบอกครับท่านเห็นท่านชี้มาที่ตัวนี้แหละตัวจําเลยเป็นตัวจำเลยที่เราควรจะชี้เข้าไปเจ้าอุ้นเข้าไปของตัวนี้แหละตัวนี้เป็นตัวร้ายกับเป็นตัวพิษตัวไขที่ไหนได้มันก็เป็นพฤติกรรมที่เราสรรเสริญมาขเราเองไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทําให้เราเดี๋ยวเราเราจะแก้ไขเราจะต้องจะต้องแก้ไขด้วยตัตัวเราเอง เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเราครับโดยเราจะต้องชักจะต้องล้างด้วยตัวเราเองการชั ก, การล้างเราจะชักจะล้างได้ไนในเมื่อพระพุทธเจ้าทมาวัดทุกสมุทัยเราทราบแล้วว่ามันมีมจจายุ่งกับจักโลกโดยเหตุที่มีพระพุทธเจ้าเมาวัดมีระวัตมัดจึงมาบัดขึ้นเห็นไหมมีมัดมีข้อปฏิบัติเพื่อชักล้างสมุทัยซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดกองทุกข์เราชี้ไปที่ตัวทุกข์ก่อน ก็พวกเราชี้ทุกชิ้ที่ชี้ไปชี้ไหนร่างกายพวกเราทั้งหมดทั้งรูนี่แลยคือตัวทุกคือข้อนทุกคือกองทุกความทุกตัวนี้เป็นผลนะไม่ใช่เป็นเหตุเป็นเหตุอย่างอื่นอยู่แต่ว่าที่มาอุปบันไดอย่างนี้ก็คือเป็นผลผลของอะไรผลของกรรมผลของนิบัติกรรมมาจากไหนมาจากเหตุเหตุคืออะไรสมุ ท, ทัยสมไทยคืออะไรการมตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหา เราไปที่ความอยากเราไม่ต้องไปทําความรู้อย่างรู้ความอยากอย่างเดียวเราเข้าใจความอยากมีให้เรารู้ไหมย้อนเปดูในใจของเราเราเห็นกิเลสของความอยากในใจของเรามันมีอยู่มันปรากฏอยู่เรารู้สิเดี๋ยวไปอย่างนี้ไปอย่างนี้พอเราเอาใจของเราไปตามสักหน่อยไแชสักหน่อยมันคลิกไปโน้นตามไปโนตามไปตามไปคลิกไปนี้คลิกโน้นยิ่งเราไม่มีข้อจํากัดไม่มีข้อแก้ไขให้มันด้วย มันไปอย่างอิสระเสรีโอ้ช่วชาันเราทำตา ม, ามาาอะไรนกตกเป็ดไปอยู่ในนั้นทั้งหมดนี่เราสร้างเราทํามาด้วยตัวตัวเองเราอยากสงบระงับดับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านจให้กเราภาวนาสุขตามหลักอริยมรรอยเปสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสมาทิฏฐิคือเห็นชอบถ้ามาเห็นชอบในที่เราชี้ไปที่ไหนเห็นร่างกายคุณภาพร่างกายของเราเห็นผิดแจของเราเนี่ย ด้วยหลักสักจจะเห็นชอบเห็นถูกเห็นตรงตามข้อเท็จจริงผู้จัดกาท่านได้ใหม่งางท่านรู้เข้าใจท่านรู้ยังไงท่านเข้าใจยังไงท่านรู้ได้ท่านเข้าใจได้ด้วยปุญญาบา ร, รมีช่างสมสังสม ส, งสังสมอบรมาตีกับสีอสงไข่ฟังฟังดูเถิดสี่อาทรงไข่ก็นานมากรวมทั้งมีความยาปรารถนาจะเป็น รวมทั้งยาเป็นด้วยแล้ก็ออกปากมาด้วยแต่ยังไม่ได้พยากรณรวมทั้งพยากรด้วยสี่อสงุไขเส้นหากะรวมทั้งหมดเป็นยี่สอสุไขเราฟังดูจ้ะยีสย่สอสุนไขแล้วดูทิคนเราเกิดมานานเท่าไหร่หัวใจจะนับดวงจะลงเกิดมาเมื่อนานเท่าไหร่ใครฝึกฝนออกลมมาทุกระยะทุกเวล า, วลาตลอดระยะเวลาฟังดูแล้วมันเกิดความสํนะาคัญทําไมพระพุทธเจ้าท่านจึงเลือกชมพูทวีปปยุบยัตปยบาบันในชมพูทวีป เรฟังรู้เรื่องราวในพระเตยผดุดพระเตยจะต้องไปประาทในชมพูทุเพราะคนในชมพูทุ่ยเหมือนกับคนที่เขาเตรียมพรอ้อมสนใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์สนใจเรื่องดีเรื่องชัว่วสนใจเรื่องความเจริญความเสื่อมเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องอะไรอะไรคนเหล่านี้เขามีการต่อโต้ถามปันมีนการสอบเสนอกันเพราะฉะนั้นพระเตยจะมาปัะบาทก็ต่างไมมาปัะบก็ตาเขามีการปอบความเพนียไหมปอบควาเพ็นเพื่อใจจะรัความสงบเช่นอย่างรพระพรหมพระพรหม ออกมาบำเพ็ญทาใจให้ได้รับความสนุกอย่างนี้หลยพอใจเข้าถึงฌาข น, นขั้นใดขั้นหนึ่งกับชีวิชลไปก็ไปอยู่บัดเนพรหโลกบางคนก็เรียนรู้ได้ถึงขั้นอรมณ ป, ปสมารถ น, นะอรมณ ป, ปสมาบัตือพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่รูปเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์ ป, ปัสมารถ น, นี่ก็มีประจำอยู่ในโลกมีประจำนั่งเดินอยู่ในโลกมันเป็นมันเป็นการเป็นคราวและเป็นทวีทีท่เขาเตรียมพร้อมไปแล้วพุทธเจ้าท่านเรียนแล้วว่าต้องม า, าบัตร ทีนี่เพราะที่นี่มันเป็นการเตรียมพร้อมถ้าไปอยู่ในที่ที่ไม่เตรียมพร้อมโอกาสที่บรมจะได้ตรัสรู้แล้วก็เอามาเผยแพร่ให้กระจายไปได้อย่างรวดเร็วมันก็เป็นไปได้ยากท่านจะทําอะไรท่านจะต้องตรวจตราสอด ส, อดสอด่องดูก่อนทั้งหมดพุทธเจ้าไปดูก็แล้วกันนะพะพุทธเจ้าสมัยทั้นยังเป็นเทวดาสวัสดิ์ชั้นดุสิเท้ า, ทาดุสิตดุสิตเท้าดุสิตท่านเป็นเทวดาเทวดาไปนิมนต์ท่านมาอัด น, นะ ม้าบัตเป็นสิทธิฐานเนี่ยเมื่อก่อนท่านเป็นเทวดาเทวดาไปนิมนต์อินทรพลไปนิมนต์ให้ท่านมาเมาบัตในในโลกนุ้เพราะว่าบารมีเต็มเปี่ยมแล้วสควรที่จะม้าบัตเพื่อจะพาสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากโคละสงสารเกิด่กเก็บตายเกล่เกอตายยก็เลยไปท่านก็อาบุบารมีที่สร้างเต็มเปี่ยมมนะอดส่องมม้าบัในโชี่คนในโชติที่งมีความเปี่ยมเราเรามา อมาสอนคนจึงได้รู้ตาพระพุทตาพรฏิบัติถึงตนั้นก็ตามอย่างไรเทพกันแรกของพระองค์้แค่พระอัญญาโกลทัญญาองค์เดียวนะไ้แค่พระอัญญาโกลัญญองค์เดียวได้แค่ดงตาเห็นรท่านั้นอ่อา่าโทัญญาพระปัจจยมหานามัคคัชชิปัจจุันขีังพระองค์ตั้งใจจะโปรก ค, คนแรกก็คือิจารตสอนอุทกกดาบทรอาราระดาบทรเพราะเป็นผู้มีจิตใจที่เอียมาก ในรูปสมบัติรูปสมบัติอุทกอาลาระดาบทก็ได้สมบัติเจ็ดมืนอุทกกดาบทได้สมาบัติแนะ ป, บบปแต่เราลึกถึงองค์หนึ่งโอ้จะร่วงไปแล้วที่หนึ่งโอ้หน้าเสียดายเราลึกถึงอีกองหนึ่งโอ้โอล่วงไปแล้วม่นคือนี่เองคือดับที่ไปก่อนตายก่อนอยงนั้นเถอะหลัองจากพูะพุทธเจ้าเป็นตรัสรู้ธรรมเราตั้งใจว่าจะไปโปรโดเลยดับที่ไปเฉลไปสูโอ้หน่าเสียดายเลยถ้าหากเราไปสอนเนี่ไปสอนอยัง ไม่จบหนึ่งคาถาก็ได้บรรลุธมแล้วแหเพราะว่าใจหาช่องออกไม่ได้บุญญาบา ร, รมีไม่มีเยี่ยงก่อไม่ได้สั่งสมมากเกี่ยวกับเรื่องปัญญาแต่พระพุทธเจ้ า, า, จจาท่านเป็นนิสัยของสมมาสัพพุทธเองไหมท่านไปเรียนกับอรารระดาบุตกับปุถุคตาบุตรจบภายในระย ะ, ระยะเวลาไม่กี่เดือนแค่สมาบาัตแปนะจบในระยะเวลาไม่กี่เดือนอาจารย์เหล่านั้นเรียนกันขอ่น60ปี70ปีกว่าจะได้ แต่ถ้าไปเรียนจบภายในระยะเลวลาบากี่ดือนบุญบารมีของท่านและเรียนจบแล้วครงรู้เลยว่าอู้นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความรู้ที่เป็นที่เป็นสัมมาสัมพุทธะมันไม่ใช่สัมพุทธะไม่ใช่เป็นการตัดสู้เป็นสัมมาสัมพุทธะยังติดยังข้องยังขาเพราะอะไรเพราะความสุนะ่านั้นมันเป็นความสุขที่ทําให้ผู้เข้าไปถึงนั้นนะยึดติดอยู่ในนั้นแหละ ก็ามาครปัตยแต่ละครั้งแต่ละครั้งมีความสุขมากติดในความสุขลอยไม่ได้ละไม่ได้มันต้องมีผู้ส่งเสริสุขถึงจะได้รับความสุขให้ความหมายว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ผู้ที่ตั้งใจจะ ย, ย, ยึดความสุขเพื่อจะให้มีความสุขนั้นตัวนี้แหละคือปัจจัยลอยไม่ได้ละไม่ได้วางไม่ได้มีใครไปบอกไปสอนให้รู้ว่าอันนี้ควรละควรลอยควรวาไม่มีไม่มีเห็น ไ, ไหมเราจะเห็นว่าความลเอียดเนี้ยกับผู้ที่ตั้ง ตั้งใจสร้างบารมีเพื่อบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธะกับผู้ที่ไม่ตั้งใจามเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธะมันแตกต่างกันมากมีแรง雄厚มากกว่ากันแล้วพิจารณาอย่างนี้เราเห็นความละเอียดแล้วคมของพระพุิธเจ้าเมื่อพระเรียนรู้จบแล้วนะองคสัมมาสัมพุทธคอบรมมากระตุ้นเตือนไม่ใช่ไม่ใช่เพระองค์ยังลาออกมาบำเพ็ญโดยลำพังเห็นไหมไปทรมานกายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างคติตัวอย่างที่คนในยุคนั้นไหนสังคมนั้นก็ทํา ทำได้หมดทำยิ่งกว่าเขาแต่ไม่มีโอกาสที่ที่จะได้บรรลุทําได้บรรลุทำได้ ไ, ดไปอดข้าวโดยไม่ได้ต้องใสารพัดอย่างที่เราเห็นเละไปทําทุกกระวิยาก ด, ดข้าวอดข้าวจนเหลือแต่น้ำร้องกระดูกเห็นไหมแต่ว่าตั้งใจจะได้อะไรทาจากการอดข้าวอย่างเดียวนะ <c oughs> ไม่ใช่อดข้าวแล้วก็ภาวนาเหมือนอย่างพวกเราทุกวันนี้นะทุกวันนี้พวกเราอดข้าวภาวนาเพื่อให้การตั้งใจภาวนาของเราเกิดไปได้สมบูรณคสบร่างกายเบาสบายปลอดโปร่งไม่เชื่อลองดู กอดข้าวสักสองสาวันดูรับทานแต่น้ำาันแต่น้ำร่างกายเบาสบายอยู่อดนอนก็กอดก็ทนมากไม่ไม่ต้องนอนตั้งคืนก็ได้ถ้ า, าร่างกายไม่อิ่มแปรด้วยอาหารนี่ช่วยส่งเสริมอย่างนี้ที่พวกเราทำตามกันพวกเราก็อดช่วยใน้รับความสุขสบายในการตั้งใจภาวนา หีดสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เราเข้าใจแค่นี้ไม่มีโอกาสที่จะมารู้ที่จะมาเข้าใจได้ว่าเหตุให้เกิดทุกที่แท้จริงคืออะไรสักจักที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นที่เราสัมมาทิฏฐิคืออะไรเปไม่รู้จักไม่เข้าใจสัมมาทิฏฐิก็คือการเข้าไปรู้สัมมาทิฏฐิคือทิฏฐิชอบทิฏฐิชอบรู้อะไรรู้หลักไม่หลักอายะศัพท์สี่นี่แหละที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เรมาเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไร เห็นในหลักของอนุญาตส์ทั้งสเห็นทุกเห็นสมุทัยอย่านี้ก็มาเห็นให้ละเอียดลึกไปมากกว่านี้รรนก็ทำการเปลี่ยนใใหน่วยแก่เราคือเห็นหลักไตรของไตร น, นะเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาญันเพราะฉะนั้นพระองค์กิจทรงเอาหลัอกอนุญมัดรวมแบบมาสอนพวกเราสมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะนี้มันเป็นการเริ่มต้นที่เราจะออกไปบมเพ็ญให้เด็ดเดี่ยวเพื่อให้เกิดสมาทิฏฐิอันนี้เป็นเรื่องของปัญญานะสมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ เ็นเรื่องของปัญญาต่อไปสัมมาวายาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีววายใชอบการงานชอบเยี้งชีวิตชอบอันนี้เป็นเรื่องของสิ่เพราะฉะนั้นเราจึงมีจึงมีสัมมาชีพสัมมาอาชีพสัมมาอาชีพก็คือเว้นจากการผิดสิ่ผิดธรัมนี่ไม่ฆ่าสรัพยรักทรัพย์รักทรัพย์อุบายวิธีเพื่อได้ทรัพย์ของคนอื่น เราสอบสเสวนาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราทุกอย่างลำบากแค่ไหนก็ดำหน้าก็ตามนะไม่ถือว่าผิดศีลได้ร้อยเราก็ยังดีในสิ่งที่เราสเสวนาธรรมาดาได้พันได้หมื่นได้แสนได้ล้านได้กี่ล้านล้านแต่เราไม่ผิดศีลเราไม่ผิดธรรมอันนี้มันมันไม่ใช่มิจฉาชีพมันเป็นสัมมาชีพถ้าอยูงให้เรามีสัมมาสัมมาสัมมาชีพศีลนี่แหละเป็นข้อที่เอามาปฏิบัติเพื่อเป็นสัมมาชีพนะ สมมาวายาสัมมาตะมันโตสัมมาชิวสัมมาวายามอสัมมาสติสัมม า, ามส ม, มาธิอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิปัญญาศิลและสมาธิตามหลักที่ท่านเรียงเอาไวา้แต่เวลาเรามาดํเเาเนินออกมาปฏิบัติเราจะต้องมาเรียงใหม่เราเรียงมาตั้งแต่ขั้นศิลสมาธิและปัญญาเห็นไหมสิลมารเรียงจากต่ําไปหาสูงเรียงจากยากไปหาละเอียดเราชาวพุทธทั้งหลายเราก็เพิ่มเข้าไปอีกพกระพุทธเจ้าสอนพวกเรา เพิทานเข้าไปนะฮะทานนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เรามีสเสบียงเยี่ยงดูได้ถึงแม้ว่าในอัตภาพร่างกายของเราเยียนไหวในวัฏฏะสงสารไม่รู้จักจบไ ม, ไม่รู้จักจบเยียนไหวไปเรื่อยังไม่ถึงที่จบยังไม่ได้บรรลุทําขั้นนั้นขั้นนั้นก็ดีทำาพชาติของเราให้สั้นลงเราก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่อดไม่หยางไม่ยากไม่จนดีคืออันนี้สองการให้สิ่เพราะขึ้นชื่อว่าพฤติกรรมทํายังไงได้อย่างนั้น ทำยังไงเป็นอย่างงั้นเราพูดทั้งหมดนี้เรายังมีพฤติกรรมที่เราทําอันนี้คือสาเหตุต้นต่อของความสุขความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวถ้าเราง้อกับสิ่งเหล่านี้เราก็ไปหลงเชื่อทําแต่สิ่งที่ไปเหียดชั่วช้าราไม่รู้จะจบหรือจบสิ้นทําแล้วมันก็ไม่สูญหายไปไหนอยากได้ก็ทําไม่อยากได้ก็ตมามผลต้องตามมาความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเราไม่อยากได้เราไม่ต้องการแต่ทำไมเราจึงมาสบพบเห็นมาสบพบเห็นเพราะว่าเราทําเหยีดลงไปแล้ว ผลจะไม่ตามมาได้อย่างไรต้องการก็ตามไม่ต้องการก็ตามความดีก vale. mm. ็เช่นเดียวกันเราทําไปแล้วต้องการก็ทํามไม่ต้องการก็ตามผลก็ต้องให้ผลไม่ว่าความดีหรือว่าความชั่วเราไปแอบทําน่นทํานี้บางที่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นเรื่องของความดีแต่ถ้าหากให้ผลมาพั๊บเป็นเรื่องของเงื่อนความความชั่วเช่นเดียวกรนเราทําแล้วไม่รู้ว่าเป็นผลงานของความชั่วเราหลงทำทำไปแล้วผลเหล่านั้นก็ตามมา เพราะช่ น, น, ะนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นชนจึงสเป็จสปะเราไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าทํายังไงทํายังไงจะเป็นเหตุเพื่อเกิดบุญทำยังไงจะเป็นเหตุเพื่อเกิดบาปเราจะเลยจะต้องศึกษาจะต้องฝึกฝนจะต้องอบรมนะเพิ่มขึ้นไปเป็นทานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขั้นปัญญาที่จะมาทําลายมิจฉาทิฏฐิหัวใจของเราเราก็มาเข้าสู่วงในในขั้นนั่งตั้งใจภาวนาน โดยเฉพาะอย่า ง, งายิ่งตัณหาในหัวใจของเราทําไมเราจะจัดการกับมันได้เราทราบแล้วว่าไอ้สิ่งที่เป็นสาเหตุต้นต่อที่ทําให้เราพัดไนในวัฏจักสงสารมันจบๆก็คือตัณหาทําไมเราจะจัดการมันได้ท่านจึงให้เรามานั่งภาวนาะการนั่งภาวนาก็คือให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมปกติอารมณ์ที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดคืออารมณ์ของความหลีกดิ้นของตัณหาในหัวใจของเรา ปัญหาในะหัวใจขอรามันขาดจิตของเราดีดิ้นไม่ไดจบมีที่จบท่านจึงสอนให้จดให้หยุดการดีดิ้นของหัวใจของเราพรุทธเจ้าท่านจึงให้เราเอาบทธรรมะมากำกับและมีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะอารมณ์ที่เด่นชัดที่สุดที่เราตั้งเจณฑ์จำลองตั้งอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ที่เด่นชัดที่สุดจะเป็นอารมณ์ที่เป็นพระมุขเป็นประธานเป็นอธิปดี เราตั้งอารมณ์ที่เป็นอธิบดีหมายความว่าอารมณ์ที่เป็นใหญ่ในในขณะที่เราตั้งขึ้นมาในขณะปัจจุบันเช่นอย่างท่านให้เราตั้งเจตจำนงบริกรรมพุทโธพุทโธให้พุทโธมํากับมูบ้อที่ใจของเราพยยามตั้งสติขมับจดจร่อ อ, อารมณ์บทเดียวเพราะอารมณ์บทนี้มันเป็นอารมณ์บทที่เป็นธรรมอารมณ์ที่เป็นธรรมที่เป็นอธิบดีเราสามารถตั้งได้ด้วยเจตจำนงของเรามันสามารถตั้งได้อันนี้คือสําคัญที่สุด แต่จิตของเรามันจะเี่น ไ, ไปเป็นขนะเด่นเรื่อยเด่นเรื่อยตามความดีดิ้นของตัหงหเพราะที่เราพูดโทรแท้ๆถ้าเราพลั้งเปลือไปเอา้มามันดึงจิตเราไปแล้วพูดโทพูดโทเดี๋ยวมันดึงไปซ้ายเดี๋ยวมันดึงไปขวาเดี a, вкус, FR, ๋ยวมันด<ๆ>ึงไปหน้าเดี๋ยวมันดึงไปหลังเดี๋ยวมันดึงไปดีเดี๋ยวมันดึงไปหลัควมันจะดึงไปสารพัดเพราะแรงนั้นของตังหาแต่ถ้าเราตั้งสติเราภูมจิตของเราตื่นกู้ขึ้นมาอยู่กับบท อ, อารมณ์ที่เป็นธรรมมันจะอยู่อย่างนั้น ในเมื่อมันในเมื่อมันอยู่กับพุทโธพุทโธตัณหามันดิ้นไม่ได้มันแสดงตัวไม่ได้ตัณหาก็สนุกนะครับแต่นไหมตัณหามันจะเริ่มสงกนะครับไปตั้งแต่เราเจริญทจิตของเราได้ทั้ความสนุกคําว่าจิตสงบหมายความว่าตัณหามันสงกตัณหามันไม่ดิ้นรับวไปจิตของเราไม่สงกเพราะพลังของตัณหามันพาจิตเราดิ้นเราวพยายามดูปจิยีกขที่ต้นต่อ เพราะฉะนั้นแค่เราทําใจแต่รัความแค่สมถาสมถานระอย่าไปดูถูกสมถนสมถามันมีพลังสมถะหมายความว่าความสงบที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะไม่ใช่สงบแบบเพ่งชาเหมือนต่อเหมือนหลังเหมือนต่อไม่ใช่สัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นมีปัญญาอยู่ในนั้นมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาท่านหลายองคย้อนไปดูที่ลองทัานขาดสติปักคือชื่อว่าสติคือชื่อว่าสัมปชัญญะ มันเป็นองของปัญญานะถ้าไม่มีตัวนี้ปัญญาจะเคลนไม่ได้จะเอาอะไรมารู้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัมผัสัญญะเหมือนอย่างคนโสมกไม่มีสติไม่มีสัมผัสัญญาเอาอะไรมาตั้งเกียรตจัมลงได้เหมือนอย่างคนนอนหลับฝันเนี่ยจะรู้ว่าความฝันของเรามันไม่มีเจตนานะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้ฝันตามที่เราต้องการฝันไม่ได้มันหามันฝันไปตามกรรมกตินิยมของกรรมที่เรามีเราเปลี่ยน ใจขเรามันดีดินตามเรื่องของอำานาจบางทีมันก็ดิ้นไปตามเรื่องของธรรมในมใใหัวใจของเราบางทีก็ดีดิ้นไปในเรื่องของทุเดชในใใหัวใจของเราคิดของเราเรีบร้อยสามสงบท่านคือให้สงบเรืเรื่อยแล้วก็สงบเหล่านี้มันส่งเสริมกันเป็นพลึกเป็นกําลังกันสงบเอียดลึ ก, ก็ไปเรื่อยละเ ก, ก็ไปเรืยเราไปดูลําดับความสงบที่ท่านพู่ออาฉากที่หนึ่นงที่สองที่สาที่สี่ลเอียดลึกไปโดยลําดับ แค่เราอยู่กับอารมณ์ที่ว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธมันไม่ไปหน้ามาหลังแต่จิตของเรามันตื่นรู้อยู่กับพุโทโธทุกยันตทุกเวลาสํารับในเรื่ความสุขตามมาเพราะเราอยู่กับอารมณ์บทเดียวเนื่องเนื่องจากอะไรเนื่องจากทั้งหามันไม่แท้มันแทกเข้ามาไม่ได้เราทรําอารมณ์ให้เป็นใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของบทธรรมขณะหน้ามันเป็นธรรมขณะหน้าต่อไปอยู่เป็นธรรมนั้น ม, มนันติดต่อกันพื้ข้าไปไม่ปล่อยช่องไม่ปล่อยช่องให้กิเลมันแสดง สแสดงมันในหัวใจของเราไ่้ไม่ให้ตัญหามแทรกเข้ามาในหัวใจของเราได้วิธีสังเกตว่าตัญหามันแทรกเข้ามาเราสังเกตได้อย่างไรตราใดตราใดปัญหาไม่แสดงเข้ามาในหัวใจของเราอัตตาตัวตนมันก็โผลขึ้นมาความต้องการด้วยความโลภความราคะความตั้หาอะไรอะไรมันโผล่ขึ้นมาถ้ามาในรูปนี้มันจะเรื่องของ ทำน้าของตังหาเท่านั้นอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาอย่าลืมว่าอัตตาตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทําให hint, like ้เราไปยึดแล้วไปยึดนี้ไปเกาะนั้นไปกาะนี้ไปห่วงใยวิตกกังวลอะไรต่ออะไรสารพัดเพราะอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาสําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นเรามาชัดเจนในหัวใจเราให้ดูมาเห็นความสำคัญมั่นหมายว่าชัดเจนแต่ถ้าเราพยายามเจริญธรรมย่อสติ ย้อนสัมผัสจันยักมาที่ผู้รู้ของเราที่มันกำลังเอาะตัวขึ้นอัตตาตัวโดโดขึ้นมามันจะมีความตื่นรู้รู้อยู่มันละลายไปได้จริงๆมันหายไปได้จริงๆเราลองทดสอบดูแค่นี้ให้เป็นที่ประจักษ์พยายนในหัวใจของเราก่อนที่เราจะตั้งเป็นหน้าเป็นฐานแหลมสื่อช่วงไปเป็นนิสยัยเป็นกิตนิสัยของเราพัฒนากิตของเราให้ได้รับความสงบลีเดือดเข้าไปอเยื่อนเลื่อนเข้าไปอีกถึงกับทิ้งคาบริกรรม อิมเอออยู่กับปีติอยู่กับความสุขหรือเข้าไปตีหรือเขาีปมีความสุขอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวหรือเข้าไปอีกอุเปกขาวางเฉยอยู่กับอารมณ์หนาาออึ่งเดียวมันหาเลิกเลอกเลอียดไปโดยลำดับแต่ว่าช่วงที่เราจะมาพิจรณาเพื่อให้ในนี้จังทุกขังนักตาราจะต้องถอยมาถอยมาอยู่ในความสงบขั้นที่ว่าตั้งเจิตภนาที่จะตามรู้ตามเห็นได้ ถ้าลึกเรียนมากเกินไ ป, ปนก็ปล่อยให้สงกปล่อยให้สงบไปเพราะดำดิอะไรไม่ได้เช่นอย่างอุเบกขาเนี่ยอามาพิจารณาอะไรก็ไม่ได้ไม่มีกิริยาอะไรที่จะไปประกอบในจิตตนั้นมีแต่อุเบกขาเพราะจากความสุขรู้สึกว่าสุขก็ไม่มีผู้รู้วางเฉยตื่นสว่างสวยรู้อยู่เฉพาะเฉพาะในตัวของตัวเองนี่ แล้วก็ปล่อยถอยออกมาแล้วตั้งใจพิจ า, ารณาคำว่าคําว่าพิจารณาก็คือรู้ที่ไปที่มารู้ต้นตอเข้ามาโดย่ฉพาะยังยิ่งถ้านมีให้เราพิจารณากายแล้วก็พิจารณาที่ใจโดยเฉพาระอะไรเขาตามแต่ถ้าเรากําหนดจดจบตั้งใจพิจารณาให้จริงจังเข้าไปมันก็จะเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจที่ไปที่มาของกายการพิจารณาทั้งหมดนี้พิจารณาทาไมพิจารณาเพื่อทําลายล้างอักตา เพรัตามันตัวตนมันโผลขึ้นมาแล้วตัวนี้มันเป็นตัวไร้การมากเมื่ออัตตาตัวตนโผขึ้นมาความเห็นแก่ตัวมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ความเพื่อตัวมันก็โผล่ขึ้นมาความสัมพันธ์มันมายึดมาเพื่อความโลภความเห็นแก่ตัวพลักออกไปในสิ่งที่ไม่ดีงามความยิดเข้ามาในสิ่งที่เห็นว่าดีบางามก็ยึดขึ้นมาพลักออกมา ครั้งทั้งสองนี่มันเป็นรังเกิดขึ้นบบบบบเรื่อยมาบพร่องบิดบอที่เรียกว่าหลงหลงทิ้งเข้ามาหลงทิ้งเข้ามากระบวนการอย่างพวกเร า, าสำคัญมันหม่หลงทิ้หลงทิ้ในอนนะัตภาพร่างกายของเราทั้งทั้ที่สิ่งเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยในหัวใจของเราเป็นเหตุสร้สางภพสร้างชาติของเรามันไม่จบจบไม่รู้จบสิ้นพระเจ้าพระจึงให้เราพิจารณาพิจารณาถึงพิษสงของกายโทษของกายจนสามารถละคลายอ้เหตุผลต้นต่อเหตุปัจจัยของมัน มันไม่ใช่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอัตตามันก็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอัตตาอยู่พอดูมาที่เหตุที่ปัจจัยที่ให้เกิดอัตตาเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วอัตตาก็ละลายหายไปเพราะฉะนัธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสรัตน์ตาอนัตต า, ตาพิจารณาถึงขั้นเหล่านี้แล้วมันไม่มีอัตตามันพ้นจากความภาวะเป็นอัตตาในเมื่อมันหมดค้นอัตตา ตาไม่มีตัณหาไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานความคิดความถึงมก็ไม่มีต้องใช้ปัญญาพิจารณาที่จะทำศพอบรมไปทุกอย่างทุกอยลาคาดหมายว่าวันนี้ตรงนี้โมเดลนี้ไม่ได้ทาํทาไปเรื่อยๆทั้งใจไปทําอุปนิสัยสร้างอบรมลมอินทรีย์ของเราไปเรื่อยๆ ม, ม, ยม่นก็มีจบมันก็จสิทธิ์ท่านจิตให้เราจับเราทํอย่านี้นีคือวิธีการที่จะเราจะมารับรู้รับทราบสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษทอในหัวใจของเรา การที่เรารู้เราเข้าใจและสมบัตินับดับตัณหาได้นั่นแหละคือนิโรธคือนิโรธดับได้พื้นพ้ น, พนดับได้สักโศกไปเรื่อยจนกลายเป็นปัญญาปุย่ยใหญ่ดับได้จริงจังไม่กําเริบเป็นชั้นเป็นกูมตามความสามารถของเราคุณทีอาจารย์สอนอย่างนี้สอนให้รู้จักดับอัตตาตัวตนของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นสภาวะสัตว่าเป็นสภาวะสภาว ะ, าว ะ, าวะทุกอย่างเราไปการตเกณฑ์ไปยึดไมปถือไม่ได้สักอย่าง แลแ้จะเป็นรูปภาพอัตภาพร่างกายของเราไปยึดไม่ได้ถือไม่ได้แม้แต่อารมณ์ภายในใจของเราไปยึดไม่ได้ถือไม่ได้ความรักความชั้นความโกรธความเบี้ยวยึดไม่ได้ถือไม่ได้แม้แต่ความสุขในหัยใหญจของเราไปยึดไม่ได้ยึดไม่ได้ทั้งให้เรายุดมัดยึดมัดยึดสติยึดปัญญายึดข้อปฏิบัติหัวยใจของเราเพราะฉะนั้นแม้แต่ธรรมะั้าให้เรามาพิจารณาไปดูกายเวทนาจิตธรรมที่ท่าพูดไว้ถึงหลักปฏิบัติ ในมหาสิทธิประธานทงสีพูดถึงธรรมบทธรรมในที่นี้หมายความว่าเช่นอยา่างเราพิจารณาอวิชชาห้ก็เป็นธรรมพิจารณาอนิยมศักดิ์สพิจารณาทุกพิจารณาสมุทัยพิจารณานิโรธพิจารณามรติอันนี้ก็เป็นบทธรรมบทธรรมในมหาสิทธิประธานไป็นรูดะแล้วก็บทธรรมอีกอันหนึ่งคือธรรมะที่เป็นส่วนผลที่เพิ่เกิดขึ้นในหัวใจของเราอันนี้ก็เป็นเป็ น, ปนธรรมะที่เราควรจะพิจารณา น้อมมาที่ทําส่วนของทำที่เป็นผลที่เกิดขึ้นใใหัวใจของเราเช่นเดียวกับเราภาวนาไปแล้วทีเราสงบเยือกเย็นถ้าไม่สักเราก็รู้ว่าสงบและพิจารณาท่านให้เราเยึดถ้าเรายึดว่าเราสงบเราสงบแนอัตตามันยังโผลขึ้นมาเห็นแต่ภาวะของมันเพื่อไม่สร้างไม่สร้างความยึดติดว่าเป็นตัวว่าเป็นตัวขึ้นมาเพื่อเป็นการทําลายล้างอัตตาภาวะใดๆก็ตามมันมีมันเปลีนไปตามภาวะของมัน แม้แต่ธรรมะที่จะพุ่งเจิญในหัวใจของเราเช่นเดกันหากเจริญได้ด้วยเหตุเรื่องปัจจัยที่เราสร้างเราทําไม่ใช่ว่าเราจะไปตั้งเจตนาให้มีให้เกิดแล้วก็มีเกิดได้เป็นไม่ได้ถ้าเราทําไม่ถึงขีดถึงขั้นธรรมะเหล่า น, นั้นจะเกิดไม่ได้เหมือนอย่างความสมบุบจะเกิดไม่ได้เหมือนอย่างปัญญาญาที่จะมารู้ว่ามารู้ว่าอัตตาอัตตาหรือ ก, กาย ที่เรียกว่าทำลายความสาคัญมั่นหมายว่าเป็นกายสักกายยทิฏฐิทําลายความหรือมั่นว่าเป็นสักกายยัคทิฏฐิเห็นว่าเป็นกายเป็นกายท่านอยให้มาศึกษารู้รู้ที่ที่สภาวธรรมแบบนี้ดีพอมารู้เข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็หมายว่าเราเข้าไปแลโอ้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดกายคือสักตภาวกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราสุขก็สักตวะสุขทุกข์ก็สักตวะทุกข์กายก็สักตวะกาย บินกสักแต่ว่าินน้ำลอไปก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่โยกเขาเดามันกลายเป็นการแยกโดยอัตโนมัติและสิ่งเหล่านี้ไปยึดไปถืออะไรไม่ได้สักอย่างถ้าเรายึดเราถือได้เราก็ประคับปบัญชาได้ด้วยเหตุที่เราประคับบัญชาไม่ได้สักอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าธรรมาอนัตตาธรรมะอนัตตาคำว่าธรรมะอนัตตาฮะไม่ใช่พระนิพพานเป็นอนัตตานะพระนิพพานพ้นจากความเป็นอนัตตาคําว่าอนัตตาคือ ธรรมะในส่วนที่เป็นโลภีเป็นอนัตตาทั้งนั้นทั้งโลกธรรมทั้งนามธรรมของเราเป็นเรื่องของอนัตตามันเป็นสภาพที่เราไปจับไปเกณฑ์ให้เ ก, มม ก, กิดกกไปตามใจหวังไม่ได้แม้แต่ผลของธรรมะที่ปรากฏหั่วยใจงเราเราเขยึดไม่ได้ถือไม่ได้ถือมั่นไม่ได้เวลาผลใดๆปรากฏขึ้นอย่หัวใจงเราท่านให้เราพิจารณาผลใดๆเกิดขึ้นอยู่หัวใจขอเราท่านให้เราจับมาแล้วพิจารณาแล้วหลอก จับมาพิจารณาแล้วก็ป่อยจับมาแล้วพิจารณาแล้วก็ป่อยการที่เราตั้งใจปลงตั้งใจปล่อยจะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงธรรมะที่ละเอียดลึก ม, มากเพกินนั้นเข้าไปอีกจนถึงขั้นปรมาณุขั้ปรมาณุขัน้นหมดจากความทุกข์ถึงบรมสุขแบบแท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระอาจารย์าั้งทั้งหลายนี่คือวิธีการที่พระเจ้าท่านบอกไปสอนเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังมาโอ ก็เป็นระยะเวลาที่ยาวเป็นชั่วโมงกันนะัไม่ใช่พียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองพเราตั้งใจฟังตั้งใจภาวนาหลูกเราบางคนไม่ตั้งใจฟังตั้งใจภาวนาอย่างเดียวก็จะได้รับความสงบถึงแม้ว่าจะมีคาพูขขออดเขอาอาจข้อธรรมบางอย่างที่ไปปรากฏจับอยู่ในหัวใจของเรามันเป็นสิ่งที่ตกค้างเหลืออยู่ในหัวใจของเราแต่ถ้าเรานั่งทรงจิตไปออกมอกอยู่บ้างไม่อยู่บ้างทรงไปบ้างตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้าง ั arias, ้งใจน้ใจได้ความสงบว่าไม่ต so ั้งใจมากมันก็คือดึงไปึมาและถ้าหากปล่อยเลยตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้อะไรเลยยถ้าพูดไรก็ไม่รู้รงจิตก็ไม่สงบฟุงซ่านตเราไม่ได้บังคับจิตของเราให้อยู่กับให้อยู่กับมที่เราจำกับอยู่แลความน้ใจความสงบแล้วก็หูขอเราฟังภาษาที่ว่าฟังที่เฉยไม่ได้ยินเนื้อหาของอาของคำาฟังแบบนี้เขาเรียกว่า ฟังก็เราเอาใจออกจากเสียงเสียงอัดเสียงทำเพี่อไปสัมผัสใจของเราก็เข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงเพราะใจของเราเราไม่ได้เปิดเอาธรรมะเข้าไปสู่ใใหัวใจของเราแต่ถ้าเป็นการฟังสัจจะว่าฟังเห็นสัจจะว่าเห็นเหมือนอย่างธรรมะที่อยู่ในขั้นที่เราตะลุกบอ ก, กนนะอันนั้นอันนั้มันเป็นเรื่องของธรรมมันเป็นบทของธรรมโดยเหตุที่เรามีสติกําหนดตื่ตนเ ร, รโออยู่นั้นเป็นบทของธรรม แต่ถ้าหากเราตั้งมุ่งตั้งใจมาตั้งแต่แรกเราได้ทับความสงบเราได้รับความ ส, ามสุขเราได้รับความสงสัยมันเป็นการเพิ่มบุญญาบารมีอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆเอาละมาถึงตอนนี้เห็นพอสุก坤เป็นเวลาะตะยะนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนถ้าหากใครมีข้อข้องใจจะถามบ้างสองสามปัญหากันได้ครับที ถ้าไม่มีก็ให้ขอนะ <laughs> ออ ตามเล กว่านะที่เนี่ยฮะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าแนวรู้เรื่องแจมแจ้งหมดได้มีเหลือตกค้างเหรอฮะใครนะกระยอ ม, มาแล้วนะใครอก ม, มาแล้วใครจะดเป็น ฝึกมาแล้วเนี่ยน ะ, นะจับต่อเนื่องได้ไปมาเรื่อยๆใช่ไหมนะเราทำไปพามูอทำเรื่อยตั้งใจการะนาผลอันิสงข้อยขอยขอพระเจ้าเ้าหน้ากันแล้วกันขยะยาาะเจาภาวนาตั้งใจภาวนาพามืออบรมอารมกายวาจาใจให้รู้ท่างทันกิเลสตานหาหัวใจ คามปรารถนานะาเราเอาพุทธเจ้าเป็นเยี่ยงอย่างอย่าลืมว่าพุทธเจ้าท่านมีนะอธิษฐานบา ร, รมีนะพุทธเจ้านะถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านะี้เราไม่ทันพุทธเจ้านะพุทธเจ้าท่านมีอธิษฐานบา ร, รมีทานบา ร, รมีนะทานบา ร, รมีศิลบา ร, รมีเมตตามหปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบิกขา บารีทั้งหมดเนี่ยพ่อทำอย่างยิ่งยวดมาทุกทั้งสิบทั้งสิบข้อเลยเป็นประเภทบารมีประเภทปุกพบารมีประเภทบารมัตดบารมีอธิษฐานเนี่ยที่นั้นบารมีแต่พวกเรามียเราต้องลืมดูอธิษฐานคําว่าอธิษฐานถ้าเราแปลก็คือคือเป้าประสงค์ที่เราต้องการนั้นพระพจาคนทุกเนี่ยนี่ก็ถือว่าอธิษฐานขอพระพิจารมีปัญญา เขาพยายได้นตัดสรุปทำเขาก็ายารู้งทำไปเขาพยายามรวยรวยรวยรวยรวยหลังจากที่ทานแล้วก็ปตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทางานได้มาแล้วเก็บของหอดยึดรวยแน่แนยเขาไปทำรวยเขาไปทรวยแล้วไปนอนแล้วตื่นตื่แล้วนอนกอนนั้นเองที่ละนอนอย่าไปคิดว่ามันจะมีสิ่งนี้มาเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สร้างที่คนที่ไหนมันจะมีไม่มีหรอก พูดเรื่องเนซัชชิกเสริมเขาหน่อยก็มีคนพูดตามเข้าใจเรื่องเนสัชชิกมากขึ้นเราก็บอกเนสัชชิกเขาว่าเนสัชชิก ค, คือไม่นอนไม่นอนเขาว่าไม่นอนนี้หนึ่งตั้งใจว่าจะไม่นอนอยู่แต่มันก็อดหลับไม่ได้ยกตัวอย่างที่ทำเต่าเนี่ยเขาเนสัชชิกัน <laughs> นอนง่วง ม, มันเลยเกินไปยืนขอต้นไม้ กรูดมาพับอยู่ตรงนั้นเลยกองอยู่ตรงนั้น <c oughs> นี่แสดงว่าร่างกายมันทับมันท่วมไม่เคยสึกไม่เคยสึกแล้วก็อีกอย่างก็คือไม่รู้จะประมาณในการบริโภคอาหารแต่ถ้าอดถ้าต้องต้องการถ้าต้องการจะอดนอนจะต้องขอนอาหารหรือไม่ก็ต้องอดอาหารร่างกายมันจะเบาสบายเรามาคิดดูซิ พออาหารเต็มท้องเราร่ากายจะง่วงเพราะมันย่อยมันทํางานหนักร่างายมันทำงา น, นแต่ถ้าหากในท้องเรามันไม่ค่อยมีอะไรมันไม่ค่อยอยากหลับอะหลับก็แป๊บเดียวก็กินแล้วก็ตื่นแล้วถ้าเราต้องการจะอยู่ในสัิตทั้งคืนเราจะต้อง่อนอาหารเราจะต้องจํากัดอาหารในตัวเราเร mm. าเรียก่อนๆก็คือหลับคือไม่ว่าจะไม่นอนเห่ียดก็ตามก็อดหลับไม่ได้อดเคลิ้มไม่ได้ แต่ว่าทหามันมั่งจริงๆมันทุ่งมากกันนะเราดูความทุกข์ที่สำคัญที่สุดคือจะหาสติเรากล้าสติเราดีเลยมันรู้ทุกมันรู้ทุกขณะของสภาวะธรรมในจิดของเราก็จะเริ่มตื่นโขมันไม่ค่อยถูกโมหะมาครอบมันลุ้ถ้าเดี๋ยวเขาโมหะมาครอบเดี๋ยวก็โมหะมาคอาอรอบเนี้ยฟุ่มเฟือยจะรำคานั้น เราพยังามไปจ่ออยู่ตรงกับไอ้ความง่วงจ่อเข้าไปเอาผู้รเราจ่อเข้าไปมันง่วงตรงไหนจ่อไปมันดูเหมือนมันละลายออกกันนะดูเหมือนมันละลายออกกันนะไอ้ความมันก็เป็นสภาพว่าทำอย่างหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาความง่วงเนี่ยะสมัยอย่างที่เขาว่าร่างกายมันต้องการพักผ่อนยมันก็หาวง่วงขึ้นลงหนอคือ่ลงหนอ ถึงขนาดนั้นก็ตามถ้าเราไม่ยอมพักก่อนให้มันเรามันตั้งตั้งความหลับปลอยให้หมดโดยที่เราไม่ไม่ไม่นอนเรานั่งแต่เราเราพยายามมีสติปลุกสดิให้ตื่นลุกลุกนี่อะทุก็ล้วเจ้าไอ้ต่อเนื่องมันละลายไปเปช่วงช่วงๆๆช่งแต่ถ้าหากตัวปิ๊เรามาปัญญาเราก่อน โอ้โหคืนหนึ่งยาวมาก ป, ป, ป, ป, ปุ๊บๆๆๆสามทุ่มนรืยั ป, ป, ป, ปุ๊เครื่องคืนนี่จ้าปุ๊ปปไก่สวาานี่เยวรูเวรูนี่ประเภทประเภทประเภทธรรมดาธรรมดานะแต่ก็สู้ได้อยู่ไม่ได้นอนเหยียดก็ได้อยู่แต่มาแต่มันสว่านได้อย่างลง้มลุกคลุกคลานนะ อีกประเภทอีกยังรัางไปรังงางขึ้นมาร่างก็ไปรัางกันมาร่า ง, งก็ไปรัางขึนมามันใช้ความสามารถอย่างร่างไปร่างกันมาได้อีกอีกประเภทที่ว่าอ ก, กริปอย่าง6 ก, กริบนะละเอียดยิ่งขึ้นไปหมายว่าสติเขาดีปัญญาเขาดีแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยจะทับถมอะไรเขาจะสว่างเรเขาตั้งแต่หัวค่าไปจนสว่างเช้าแต่ก็ยังเปลี่ยนอิริยาบถห น, น้าบ้างยืนบ้างเดินบ้างแต่ไม่หน่อ แต่ว่าจิตอยู่ตลอดสว่างโรคตลอดอันนี้ก็ยังยังพอทําเนาและมันมีอีกอันหนึ่งที่เวลาลงตาทันเทศท่านพูดถึงว่านั่งตลอดรุ่งอิริยาบถเดียวไม่ยอมเปลี่ยนแต่อันนี้จะต้องพัฒนาไปจากในระยะอุกฤษขอกเนสชินมันจะต้องพัฒนาแต่ละชั้นแต่ละชั้นมันจะต้องพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยระยการฝึกเิ่งสําคัญที่สุด เราพยายุ่งไ ป, ปไม่ได้เลยไม่ได้ดอกต้องหัดฝึกเอาหนักทีเดียวเลยแหละเอาหนักทีเดียวเลยทำทำทำไม่เอาละเอียดเข้าไปนั ก, กเข้าไปด้วยสนใจเข้าไปด้วยไม่ได้วันนี้เราคิดถึงหนึ่งครั้งสองครั้งเสร็จแล้วเราบางวันมันไม่ได้คิดถึงเลยแต่ถ้าวันนี้เราคิดถึงคิดถึงคิดถึงไปจำทุกเมตใจลมหายใจเข้าออกสักหนึ่นงเดียวก็ได้เขาว่า มารามีเหล่านี้คุณสม บ, บัติเหล่านี้มันก็เต็มตื้นขึ้นมาเพรามันได้ น, นันหละมนอย่างงานการที่เราไม่เคยรู้จักเลยแหละเราไป่ต้งฝึกเรื่อยๆมาเยอะมันเราฝึกคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเราฝึกเรื่องโ้นโ้นโ้ไม่รู้ไม่รนั น, นรู้ไปเรื่อยๆได้นู้นได้นี้บ้าเสริมไปเรื่อยๆกลเพื่องธรรมดาไปเลยง่ายสะดวกสบายไปหมดความการฝึกขึ้นเรื่องสําคัญทันทีว่าดันตังจิตตังสุขาวัง การตั้งใจฝึกฝึกจ okay. ิตนำความสุขมาให้นำความสุขมาให้เพราะว่บการตั้งใจฝึกไปแล้วมันพัฒนาไปในตัวของมันตั้งต่ตังตจิตต่างสุขเขวการตั้งใจฝึกนำความสุขฝึกจิตนำความสุขมาให้อีกอการตั้งใจฝึกตามที่เราจะนั่งอิริยาบทเดียวไม่ยอมนิ่งไม่ยอเปลี่ยตั้งแต่หัวค่ำยังไม่มืดก็จะสว่าวันใหม่โอ้โหนิคารนมาก แต่มันต้องพัฒนามาจากเนสัตชิกขั้นขั้นสองขั้นสามนะขั้นต่ําสุดก็คือหลับบ้างอะไร บ, บ้างแต่ว่าไม่นอนตลอดทั้งคืนบางทีก็เดินน่ะเดินหลับบางทีไปกอดต้นไม้กอดต้นไม้หลับหลับจนรู้ลงไปไม่รู้สิบตัวห ล, บลบบับางทีก็ไม่หลับแต่ว่าดึงกันไปดึงขึ้นมาดึงกันไปดึงกันมาบางทีก็ดึงน้อยหน่อยต่อสู้น้อยหน่อย แต่สามารถอยู่ได้ก็คือแต่ยังเปลี่ยนอิริยาบถทั้งลุกทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนอยู่นั้นไอ้พวกแคที่อุกฤษยิง่งที่เราอย่างนุตาทั้นพูดว่านั่งโต้เวทนานั่งสู้เองนะโอ้โห อ, อันนี้เยี่ยมท้าทุนแต่ต้องมีผลถ้าไม่มีผลตอบรับนี่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ถ้าหากทำได้ไหมว่าทุกอยาา่างทิ้งหมดแล้วถ้าไปถึงขั้นทิ้งหมดแล้วไปไม่ได้ คีอร่งกายเนี่ยทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยแหละพราสวารขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับตายเลยแหละข้างล่างต้องจับขาออกต้องจับขาออกต้อค่อยๆลุกต้องค่อยๆขยับ ล, ลุกปุ๊ปั๊ขึ้นมาในี่ยลงตึงเลยหะที่ดูที่นั่งทิ้งหมดนั่งบ่อยๆกินข้าวเนี่ยบวมหมนีขานวงเป็นเลยหละมันหักหลบมันร่านกายมันบอกช้ำ เราตั้งใจฝึกฝนไปตามลำดับตามขั้นตอนไปแต่ถ้าใครมีสิ่งวันนี้อยู่ในใจของเราชัา่วโมงเดียวเดี๋ยวก็จะเป็นของเราเดี๋ยวก็โ oh, อ้เราแล้วหนอเราแล้วหนอเราแล้วหน oh, อมันจะโอ้จริงๆมันโจ้จริงๆเราตั้งใจทําไปเหตุแลหลายการที่หลูกตาท่านพูดเราต้งองแสดงอาไว้เราไปฟังดูทังคืนเด็กๆทั้งนั้นที่เข้ามาเปิดเราตั้งใจฟังมันดูวิธีการต่อสู้ ท่านว่าการต่อสู้เอาเวทนามามัดจีมีคำทวว่ามัดมือชกมัดมือชกเลยะมัดมือไหมัดมือกี่เล็บชกหน้ามนเลยโมันมล่าวโกมาแหละคำหามไม่กล่าวขึ้นมามีแต่ามว่าทมันโตขึ้นไหมให้เราดูให้เรินาถึงความสนุกถึงความรอบรู้คำว่าตาวตมันล้มหายหน้าไปไหนหมด ถ้ายังมีสิ่งเหล่า น, นั้นอยู่อยู่ไม่ได้หรอกโยหัวเขาเราโค่น ห, หัวเข่าเราเจ็บหลังเราจะหกักเดี๋ยวเราจะเป็นเดี๋ยวเราจะเอามาพลิกเดี๋ยวเราจะเอามาผ่าอยู่ไม่ได้ดอกอยู่ไม่ได้ทิ้งหมดเลยคำอาณาตานี่หมดไปแล้วหายไปแล้วทิ้งหมดไม่งั้นผ่านไม่ได้โผโผลขึ้นมาไม่ได้อันนี้หมายความว่า ต้องมีผลตอบรับถ้าไม่มีคนตอบรับไปไม่ได้นี่แลยคําว่ามีคนตอบรับก็คือมีความเลืสุขมีความละเอียดลึกเข้าไปมีผลทางด้านปัญญาสติตื่นตัวรู้อยู่ตลอดมันมีคนตอบครับถ้าไม่เถอดมันจะมีผลปรากฏวิธีดูวิธีดูวิธีดูท้งได้จ่อในหลักระสติกัทั้งหมดเอาไว้ เราไปดูหลักสติปัฏฐานมาดูท่าพูดไว้ละเอียดมากถ้าเราถนัดเกี่ยวกับกายเราก็พิจารณากายเอาสติเป็นหลักเป็นประทานเป็นใหญ่ที่จะเรียก ว, ว่ามาหาสติปัฏฐานมาหาสติปัฏฐานเอาสติเป็นพื้นเป็นบ่าเป็นฐานจินติที่เกิดขึ้นในจิตของเราคือความชัดเจนมันเกิดขึ้นในขณะในขณะนั้นโตเราตั้งโตขึ้นมา ความชัดเจนมั น, ม, นมันมีครั้งเดียวมันมีอันเดียวอารมณ์ที่ชัดในใจของเรามันมีครั้งละครั้งละหนึ่งอารมณ์ในใ น, นอารมณ์เหล่านี้ชัดเจนอยู่ในใจดวงนี้แล้วอารมณ์อม่นแทรกไม่ได้เรามีเจตนาที่จะรักษาอารมณ์ม น, นี้ให้สูดเลื่อนยืดไปได้เราจึงสามารถเอาชนะตัญหาได้ไม่้เราเอาชนะไม่ได้ พุทธเจ้าท่านจึงให้เราประคองตั้งปุ๊บให้เราประคองยื้อไปไม่ให้มันขาประคองความรู้สึกพุทโภคองจากพุทธนะฮโทคอจากโทรไปหาพุทธประคองจากพุทธไปหาโทรประก อ, ะะ อ, องแบบนี้เราทาไปเจอมันจะเป็นสมรภาร์กรตา ม, ม, าตา ม, มาที่ปัสศนากระตามเราทำไปเจอจิ้งเราตามดูลง มันได้ทั้งสมาธิมันได้ทงปัญญามันได้ทั้งรูปธรรมมันได้ทั้งนามธรรมที่เรานดำริฟุตโถมันเป็นเรื่องของนามธรรมที่เราดูลมลมมันมันเป็นเรื่องของรูปธรรมลมนี่มันเป็นรูปนะเพราะมันสัมผัสที่กายเรารูปกับรูปมันสัมผัสกันได้นะรูปกับรูปมันสัมผัสกันได้เอาผู้รู้พวกเราไปสัมผัสลมมันขึ้นมานสัมผัสที่กายเราไป็นหนดที่กายเหมือนอย่างที่เขากาหนด ของยกบของยุบกิริยาอาการของท้องมันพองท้องมันยุบนี่ก็คือกิริยาอาการเคลื่อนไหวของกายมันเป็นหลักของมาซีกฏฐานนะมันเป็นหลักของมาซีกานแต่ถ้าเราถนัดเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาเวทนาแต่เวทนาเนี่ยเราจะไม่จะต้องพิจารณาละเพราะเรานั่งแค่เรานั่งมาแค่นี้เราก็ปวดละเราก็เจ็บเราก็ปวดละเราหัดใช้สติของเราจาะเข้าไปตรงที huh. um um um ่ม <tava> ันปวดนะเพราะจิตของเราตัางหาไอ้ตรงที่มันปวดต่างหา และตรงกายตรงที่มันอวดนันก็ต่างหากอย่นะมันก็รัศวนกันนะเหมือนเหมือนที่หลวงตาท่านท่านสอนให้เราพิจรารณาพิจารณาไปไปพันกันไปเลยแหละพิจารณาทั้งโรคทั้งเวทนาทั้งจิตพิจารณาพันกันไปเลยนะย่อจิดไปดูเวทนาเจาะสมรเวทนาเหมือนไฟกําลังลงุกเราก็อยู่ทัางกลางตอนนั้นเลยสัาาังเท้าหูเฉยมีเสถียรสั่งเท่าหาู้อาศัยเท่ลึกเของหู ไม่ให้อัตตาว่าเรารู้นะอัตตาขึ้นมาว่าเรารู้เรารู้ไม่มีไม่มีเห็นแต่สภาวะทำแบนั้นนี่คือการเจริญวัสติถ้าเราเจริญนี้ได้ผลเป็นโอ้เราทรารู้เรารู้เวทนาจะมีเราอยู่จะมีเราอยู่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การเลิศไม่ใช่การเจริญที่ถูกต้อง ต, อตามหลักวัตสติท่านเพียงแต่ให้อาศัยว่าสติเป็นที่เราเลิศ ก็อารมณ์กายตรงนั้นรู้เวทนาตรงนั้นเป็นที่รู้สติเป็นที่เราลึกของจิตรู้ไปที่อารมณ์ที่ที่เราเอาจิตของเราไปเพ่งอยู่ตรงนั้นสักธรรมเวทนาเวทนาก็อสักธราเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราถ้าให้เราพิจารณานำอย่างนี้แล้วก้อที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นกายก็สักธรากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่อัตาตัวตนขอเราถ้ามันเป็นของเราทีไรเมื่อไรนั้นอัตามันโตมันโตแล้วมันยึดมันเกาะเราเจ็บเราปวดแป๊บเดียวลิกแล้วเปลี่ยนแล้วลุบแล้วความกลัวความเจ็บความอะไรอะไรสารพัดมันตามมาแต่มันละเอียดนะต้องะตั้งใจสุดเอาถ้าให้พิจารณาเวทนาย้อนมาดูจิตใจใจมันยินดีไหมเมื่อย่เราพิจารณาทุกเวทนามันเป็นอารมณ์ที่เราทนได้ยาก ใจมันเยินดีไหมถ้าใจยินดีแสดงว่ามันมีอัตตาโผล่ขึ้นมาถ้าใจมันยินร้ายแสดงว่ามีอัตตาโผล่ขึ้นมาเห็นสักจธรรมเห็นเห็นสัจธรรมกิริยาเพรมันสัจธว่าเป็นเวทนาไอ้เวทนากับผู้ที่รู้ว่าเป็นเวทนามันคนละอย่างจิตคือผู้รู้ย้อนมาดูที่จิตจิตก็ไม่ใช่เวทนาเวทนาก็ไม่ใช่จิตมองมาดูที่ย้อนไปดูกายกายคืสัจธรรมกายกายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กาย มันคนละอย่างมันแยกกันโดยอัตโนมัติถ้าเราทําตั้งใจทําให้ถูกต้องเวลามันถึงขีดถึงขั้นอยู่เต็มที่มันตากันต่างจริงอย่างที่ฉันว่ากายเวลาจิตธรรมตางกันกันจรเราหมุนมาตรงนี้ได้จะได้ผลเรานั่งนานๆได้เราจะต้องมีวิชาต่อสู้วิชานี้แหละเราตั้งใจต่อสู้ได้จนมันทำอะไรอักตาตัวตัวแรกมันโผขึ้นมาได้เรานั่งสู้ได้เอาเท่าไรเท่ากันได้ เราจะพิจารณาดูใหมันเป็นอื่นมันมันเป็นอื่นไปหมดไม่มีเราเข้าไ ป, ไปอยู่ในน้ำอย่าลืมว่าความสําคัญมันหมายมันมีที่ผนล น, นาสัญญาเราในใจพระรัตนมันสําคัญมั่นหมายมากามลพิษนะมลพิษนะมลพิษนะเป็นโน่นเป็นนี้เป็นโรคเป็นโน่นเป็น น, นี้เขาไปสะสมในร่างกายเป็นโนนเป็นโอ้ยิ้นเข้าม า, จ, าจะหายใจไม่ออกล่ะ <c oughs> ความสําคัญมั่นหมายคือมันอยางเรื่องจะยกตัวอย่างให้ฟังน่แหะ เขาจำนำโทษไปหั่นให้เลือดมันไหลออกก็บอกทั้งเลือดไหลหมดจากทางกายจะตายในสุดก็เอาน้ํามาหลอกหด้วยปาทานมันรุนแรงมันจึกน้ํามันคิดว่าเป็นเลือดของมันตายได้มั้ยกันตายได้มั้ยกันลองดูสิเป็นมะเร็งมามันก็ขี่ปีสองสปีมาน่ยไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นมะเร็งพอไปเช็คเจอว่าโอ้โมะเร็งขั้นสามเสียด้วยนะตายแล้วจะฆ่าใจตายต่อ ไม่ถึงเจ็ดวันหลับไปแล้วเจอมาแล้วบ้านแถวเราอยู่แถวนั้นแ่ะเมื่อตนไปวัดได้มาอะไรได้ไปโน้ตไปนีได้เขาไปเช็คเจอท่านแล่ะติดเสือแล้วนอนติดเตียงแล้วลุกม ไ, ลไม่ได้แล้ว ไ, ไม่ได้แล้วกินก็ยากอะไรก็ยากกันไม่กี่วันไปแล้วมีปาฐานไปเสริมก็ไปโอกาสที่จะพิจารณาผมเห็นยากเพราะเราสุดฝนอบรมรื่องทํา มไม่เปรี่ยบเราพิจารณาแบบนี้แหละมันไม่มีอะไรตายตั้งกายมันอยู่ได้จะอยู่อยู่ไม่ได้มันหมดสภาพปล่อยไปเราไม่อยู่กับไอ้สิ่งที่ตายเราอยู่กับผู้ไม่ตายร่างกายมันตายเราจะไปอยู่กับมันเราไปอยู่กับจิตจิตมันไม่ตายจิตของพระพุทธเจ้าหรือท่านล้างเกลียใต้หมดแล้วผู้รู้ของเราหนึ่งผู้รู้ของท่านน่เหลือหนึ่งเดียวไม่ตายเพราะสิ่งเหลนี้มันมีอยู่ประจําโลก ดินน้ำลมไฟของเรามมีอยู่ประจำโลกเราไปดู น, นอกร่ากายของเราดินน้ําลมไฟมันมีอยู่ประจำโลกแต่อันนี้มันกำมันไม่ยึดมันทําให้ดินน้ําลมไฟอันนี้มันเจริญขึ้นแลว้วก็เสื่อมลงแลงว้วก็สลายไปทําให้จิตใจของเราได้อาศัยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะมาท ำ, ทำนี้มำนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่หใจกายกับใจกกับมโนกับเอาบุญเอากุศลเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาช่วยจิตให้จิตพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว เราต้องความเป็นมุีมีประโยชน์อย่างนี้มีความสคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าหากจะเราเราจะให้สัญญาความหมายความจำได้ความหมายรู้มันมาก่บมาคงเงินหัวใจของเราให้เราเจริญอันนี้จะสัญญาหรือไม่อนัตตสัญญาหรือไม่อสุภสัญญาหรือไม่ ถ้าให้เจอสมบันะติโลกเียนั้นที่สัญญาที่ว่าโลกนี้ไม่น่ารื่นรมไม่น่าอยู่ดูสิเหมือนมนุ์พิษภาวะเต็มท้องฟ้าที่ครอบคลุมเราอยู่เดี๋ยวนี้เราพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันจะหมายหมายในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกิเลสมันความหมายแบบนี้ท่านเรียกว่ามักเป็นมักนะสัญญานี้เป็นมักไอพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พระมังเรียนสัญญาสิไปอ่านดูในในหลักเทศ อนนี้จสัญญานั้นจะสัญญาอสุภะสัญญาอันนี้ปัจจูกูและสัญญาสําคัญมันหมายว่าร่างกายของเราไม่งามเพราะเรามันติดกายกายสวยกายงามถ้าหาเรามีเ ก, กใจจิกตใจเสหน่อยเรารู้ว่ามันสวยยังไงมันงามยังไงเราตั้งประเด็นตั้ ง, งข้อสงสใจให้กับเราเราก็จะมีวิธีการต่อสู้ท่านจึงให้พิจารณว่าตายป่วยเน่า ด้วยสลายนอนจอบดยด้ยจับด้วยจับยจับด้วจับแม้แต่จะเป็นสัญญาแม้แต่จะเป็นสัญญาแต่มันเป็นสัญญาที่เป็นมัดพุทธเจ้าท่านให้เราเจรือนะเรานั่งลตาเราพิจารณาบทนี้บทนี้บทนี้บทนเราก็ใช้สัญญาสัญญาทั้งนั้นแหละสัญญานี่แหละเมื่อที่เราทาหมุนให้รอบจับเต็มที่ มันจะกลายเป็นปัญญามันจะพัฒนามาจากสัญญาตัวนี้แหละเพราะสัญญาก็เกิดที่ใจปัญญาก็เกิดที่ใจสมาธิก็เกิดที่ใจที่เล่นก็เกิดที่ใจอะไรเกิดที่ใจทั้งหมดมันก็พัฒนามาในตัวของมันตั้หาชั่วร้ายมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นขึ้นอจากพฤติกรรมความใ่ไม่มีใครมาสร้างให้เรามาทําให้เราไม่มีใครมามอกให้เราไม่มีใครเอามาฉาบมาทาให้เราไม่มีเราสร้างเราทำเอาเองทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเราแก้เราจะต้องแก้อีกในเมื่อเรามาถึงจุดที่เราเรียนรู้เข้าใจแล้วโอ้เราจะต้องชักนี้จะต้องล้างอย่างนี้นี่มันมีประโยชน์สำหรับผู้เรียนทำรู้ทำเข้าใจทำรู้เร่งรู้ทั่วถึงธรรมคุณเจ้าทศสมตรัสถูกุชนผู้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคําว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังคือไม่ได้ยินไมปฟังไม่รู้เรื่องสิ่เรื่องธรรมไม่รู้เรื่องของธรรมไม่รู้เรื่องสภาวะของธรรมไม่รู้หลักของธรรมชาติ เหม อ, อยากที่เราครองกายเนี่ยเรารู้ถักรู้หลักของธรรมชาติมั้ยเรามันรู้จักแค่หมอเท่านั้นหมอเขาไปเรียนรู้แค่กายภาพเขารู้จักของกายธรรมชาติของกายเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี่เข้นนเนนนงองมาแกรู้แก่นี้แก้โรคภัยไข้เจ็บแก่นี้ก็แก้ได้แค่บรรเทาพนักตื่นใช้มันยุติลงไปมันไปยุติไม่ได้เพราะร่างกายมันจะต้องขึ้นมันเป็นวัยเจอขึ้นเต็มที่มันก็เสื่อมลงเริ่มก็สลายไป ให้มันแก่ไม่ได้ให้มันเจ็บไม่ได้ไม่ให้มันตาให้เขาไม่ได้มันจะจะเป็นที่จะต้องเสื่อมสลายเข้ามาอยากบร่างกายทราสัญญาจะเป็นจเป็นความสาคัญถาอยากพิจารณาปฏิปูรพิจารณาให้นอนจอบยุ่ยยิ่งยังเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ให้เราแข่งรู้อสุภะรู้อสุภะนอนจอบยุ่ยยิ่งยั่เราดูตจิดตาเราดูที่ เรา ด, ตดตาูติดตาเห็มนติดตาที่เป็นรับตาเห็นเบงตาเห็นหลับตาเห็นเบื้งตาเห็ น, เ, ห น, เ, หนเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเป็นกสิณได้ประโยชน์กว่าเราเป็นพิจารณาอย่างไอ้พิจาราเห็นเป็นเน่าปือยนอนจาะ ด, ด้วยเย้ยุ่ยยักษเวลามันเป็นติดรูปชายเวลามันเป็นติดรูปหญิงเราเพ่งให้เป็นรูปที่เราติดตาเราจ่อยสลายไปชัว่วคลิปตาเดียวเลย มันเป็นโล่ย่างดีนะั่นสลับปกป้องตันหาหัวใจของเรานี่มันมีเป็นเป็เคล็ดลับสลับพูดเจริญพูดเจริญกรรมฐานจับเอาไว้ไม่งั้นโอ้ยมันบาดมโนภาพรู้ไปหมดเลยนะข้อเท็จจริงของมันแล้วคือมันธรรมชาติจะได้ผลอย่างจริงจังเต็มที่ต้องเลยนี้ไปขั้นสัญญาทาไปทําไปทําไปเป็น เ, เกิดปัญญาคือเลยนี้ไป โอ้แคนี้พอแล้วนะถ้กินแกเวลาแล้ว <c oughs> ให้พอแคนี้เออเอา